เจริญพรท่านสาธุชนทุกทสันผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มาพบปะกันมาสนทนาถามตอบคำถามธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครมีคําถามใดอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้อันนี้ท่านแรกที่เข้ามาก่อนคือหมอพิเชษ ใช่คุณหมอการรับประการพระอาจารย์ครับยมได้น้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติในการพิจารณากายเวทนาจิตว่าเป็นใจลับและเป็นสิ่งที่จะต้องปล่อยวางและได้มันพิจารณาปันปันเจริญสติสมาธิปัญญาและอยู่ในธรรมะตลอดทั้งวันครับพระอาจารย์จะมากราบเรียนพระอาจารย์และขอ ความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชีน่ะด้วยครับเพรมันการปฏิบัติมันก็เป็นขั้นเป็นตอนมันปฏิบัติปฏิบัติทีเดียวพร้อมันทั้งหมดขั้นต้นก็ต้องเจริญสติก่อนเพื่อให้ได้สมาธิให้เข้าสมาธิคือเข้าสู่อัปปนาสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่า อริกาแล้วก็มันทาจนชนานาญขั้นต่อไปค่อยมาศึกษาธรรมชาติของร่างกายมีลักษณะเป็นอย่างไรมีไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นอย่างไรไม่เที่ยงก็เกิดแก่เจ็บตายไม่เทียเท่ยงเกิดแล้วก็จะเริ่มตอบโต้แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย อนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราของเราผู้ปฏิบัติผู้พิจารณาร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นพิจารณาตัวนี้ไม่เป็นอไม่มีสติปัญญาไม่มีความคิดปรุงแต่งโมดิฟิคปรุงแต่งคือจิตโดยใจผู้ที่มามาครอบครองร่างกายนี้จะ ต, ต้องจะ ต้ไม่รู้ว่าน้ําำายนี้เป็นสมบัติเชื้อคาวมันต้องดับไปมันมาจากอะไรมันมาจากธาตุสี น, นิ้น้ําลงไปแล้วมันก็เกิดกลับคืนสู่ธาตุสี น, นิ้น้ําลงไปนี่คืออนัตตาน้ำายไม่มีตัวตนเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง <c oughs> ต่างจากต้นไม้ก็คือมันมีตาหจูจมูกนิงกายที่ทําให้ใจประกาบบายิด ม, มติด มาใช้ดาหูจมูกมิอกายเป็นเครื่องมือให้กับใจกิเลสของใจหาความสุข <c oughs> น้องพิจารณาเนี่มันเป็นไม่เทียมเป็นอนลัตตาแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่สวยงามมันมีอ า, าการทารกสิบสองาการถ้ามองทั้งทารสองอาการก็จะได้เห็นว่ามันอาจจะสวยภายนอก แต่วราเข้าไปย้า ง, ง้วมันไม่มีอะไรสวยงามเลยดูเวลามันตายเป็นสร้าง ส, สมัยก่อนตายคนตายก็ไม่เผาไม่ฝังก็ไปทิ้งไว้ในปา่าช้าให้แหลงกากัดกินก็จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายได้ตัดความกำหนังยินดีกามกามมารุณ ที่มีต่อร่างกายของผู้นี้ได้ตัดการมร า, ารคะกามรมาคะนี่คือส่วนของร่างกายส่วนวิทนาก็คือวินทยามันก็มีสุขมีทุกข์ไสุขไม่ทุกข์ความรู้สึกที่มาทางร่างกายเวลาร่างกายยิวมันก็เกิดทุกข์กับวิทนา เวลเจ็บไข้เรื่องป่วยมนเกิดทุกขเวท น, เนาเวลมันเกิดให้มันดับมันก็ไม่ดับเพราะมันก็เป็นอนัตตามันไม่มีใครสามารถ้ำไปอยากให้มันดับวัตทุเวลาเกิดทุกขเวทนาเราไปเห็นว่าทุกขเวทนาดั บ, ดดบใจก็จะทุ่งจากกาิยสัตว์ทุกที่เกิดจากความอยาก อยากให้สิ่งนี้หายไปใน ม, มิมวิวิภาวาตนาก็ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ลองพิจารณาว่า <c oughs> ไม่ได้พิจารณามันจะมายอย่างไงก็ต้องยินดีต้อนรับมันทั้งสดทั้งทุกทข์ทั้งไว้สดไม่ทุกข์มันสลับกันไปสลับขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเราไม่สามารถไปควบคุมเหตุปัจจัยต่างๆได้เการควบคุมใว้ร่างกายไม่เจ็บคข้ได้ป่วยควบคุมเวลา พลังงานมันจะเจ็บข้าให้ปวยไม่ต้องมันต้องเจ็บใจที่มาอยู่กับมันก็ต้องอดอยู่กับมันให้ได้นั่นเองถ้าอยู่ไม่ได้ก็ทุกถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องทําใจเฉยวางเป็นอุนเบกขาอย่าไปอยา ก, อ ย, ากยอมรับความจริงว่าไปกาจัดมันไม่ได้ทันทีทันใด อาจจะใช้เวลากําจัดมันได้เช่นอาจจินยาเลยรแต่มันก็กําจัดในช่วครั้งชั่วข่าวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ดังนอย่าไปกาจัดมันดีกว่าปล่อยให้มันกําจัดตัวมันเองเดี๋ยวมันมันก็เป็นอันนี้จับมันก็ไม่ได้เจ็บไปตลอดเดี๋ยวมันก็หายเจ็บของมันเองเดี๋ยวเวลาก็หายให้รู้จักความจริงของ ขวทนาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามปัจจัยเหตุปัจจัยต่างๆ ท, ที่มาทําให้มันเปลี่ยนแล้วก็ถ้าปล่อยวางเวทนาได้แล้วก็ไปพิจารณาจิตต่อจิตก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคืออารมณ์จิตจิตก็คืออารมณ์ในจิตเนี่ยอันดีคื เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็วุ่นวายเดี๋ยวก็ไม่ตอบคำวอนอะไรต่างๆอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติที่มันมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าพยายให้มันสมบตลอดเวลาเนื่งตลอเวลาเวลาไม่สมบอกมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้เห็นถ้าเราถ้าเวลามันเป็นอะไรเราทําให้มันสมบไม่ได้ก็ต้องหดยิมของมันไป ถ้าอยู่กับมันได้ยอมรับมันได้ยอมว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยมันก็เปลี่ยนเข้ามันไปอารมณ์เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วตลอดเวลาเวลาก็เรืร่องร้นบางทีก็เศร้าหมองเวลาก็ผอมใสเวลาก็โหดพูดแล้วแต่มันไปสัมผัสอะไรมันก็นเลยเกิดการแตกตุล อ, อ น, นิจฉ์ไม่เที่ยงอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้ ก็มันเวทนา <c oughs> เวทนาเป็นความรู้สึกแต่นี่เป็นเรื่องของขอารมณ์ความคิดปูนแต่งต่างๆความรู้สึกความโกรธวามวนความนึกคิดอะไรตะางก็ต <c oughs> ้องพิจารณาว่ามันก็เป็นไตรลักเหมือนกันอ่านยืมกับมันไปคือถ้ากําจัดไม่ได้บางทีบางทีก็กําจัดได้เวามันเครียดถ้าราใช้สติพุทโธพทโธมันก็หาหาอาจจะอยู่ ถ้าใช้ปัญญาเป็นในการชาเขียนแต่ถ้ามันไม่หายก็ก็มีขั้นที่สามก็คือก็อยู่ประมันไปอยู่ว่ามันก็ไม่เที่ยงเนี่ก็กเคียดเองเนี่ยก็หายเองไม่ต้องทําอะไรก็ได้ให้รู้เฉยๆไปก็ไดต้ต่อไปเราก็จะไม่ถูกกับอะไรถ้าเราจะถ้าเรารู้ใจของเราทุกของเราเรามีความอยาก อยากให้นามกายเป็นไปตามความต้องการของเราอยากให้เมตนาเป็นไปตามความต้องการของเราอยากให้จิตหรืออารมณ์ทํามอารมณ์เป็นไปตามความต้องการของเราพอไม่เป็นไปมันก็ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับมันอันนี้คือการพิจารณากายวิจาณจิตแต่ทาที่ทำตัวดีกว่า ทำแล้วต้องไปไปทดสอบหนึ่งวาเวลาที่เราทำพิจารณามันอยู่ในมันไม่ได้อยู่บนเวทีมันไม่ได้อยางเขาไม่ได้เข้าอา้อมอบอกทดสอบของร่างกายเกิดความตายต้องไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ที่วเวล า, า จ, จะตายได้หรือเป็นโรกไม่สบายขึ้นมา มันเจ็บปวดหมอเบร์บอกรักษาไม่ได้ตรงมาเร่งนี้ะแล้วน่าจะเรียนรู้ว่าเราปล่อยวางเวทนาได้เ ป, ปล่ป่อยวางร่างกายได้เาแต่ตอนนี้ทําการบ้านไยก่อนคิดไว้ก่อนสิ่งที่สิ่งที่ทำทำน้ำได้ก็คือการมันลมถ้ายังมีการมันลมหนุนหรือวยเอา อสุภาพมาันดับมันได้ไห ม, <c oughs> มนี่มันเป็นปฏิบัติการจริงๆะแต่อย่าลืมยังไงก็ต้องกลับมาที่สติที่สมาธิเป็นเป็นเป็นเนครื่องมือหลักก่อนนะทางปัญญานี่มันไปเชี่ยวชาไปมันอาจจะทุ้มสร้างได้ก็ต้องหยุดมันพักมันแล้วกลับมันทาสมาธิสลับกันไปอย่าทำแต่ปัญญาอย่างเดียวอย่าทําแต่สมาธิอย่างเดียว แอบรูต้นทำสมาธิให้ได้ก่อนทำสมาธิอย่างดีไปก่อนพอได้สมาธิแล้วถึงได้ไปาำปัญญาสลับกุศลสมาธิสมาี่จะได้เป็นที่พักผ่อนปัญญาเป็นที่ทํางานทํางานไปจิตก็เมื่อยแล้าได้จิตก็พุ่งได้ก็ต้องกลับมาเข้าสมาธิอันนี้ดุลหลักของการปฏิบัติไวไหนเข้าใจนะุ้ณหมอ ครับขอบคุณครับอาจารย์มาจำแมทกับจจที่ต่อเสีชากระผมรสชการพระอาจารย์ครับวันนี้มาส่งกันบ้างครับมูลคลสามสิบแปดข้อที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดครับมามาอารติมีรติปปะมัชฌาปานะจันยามู อปปมาโทจกทมเมสุเอตัมมังคารมุตตัมมังการงดเว้นจากความชั่วการบังคับตนจากการดื่มน้าเมาและความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้งสามประการนี้เป็นมงคลสูงสุดอัแปลมาดิไม่ไ การรับเว้นจากความโ่วก็คือการไม่ทําชั่วครับไม่ผิดสิ่ข้อหา้าครับอ่าแล้วก็ใบาบุกด้วยนะครับโอเคต่อมากา ร, ารบังคับตนจากการดื่มน้ําเมาก็คือการไม่ดื่มสุราหรือของมันมัลมาครับถ้าเนี่เเพือหกันิดเราดื่มเราจะไม่มีสติแล้วก็ไปทําผิดข้ออื่นนะครับเอ่ อทุ <c oughs> ความไม่ประมาทในทำทั้งหลายก็คือแบบตอนเที่ยวยังเด็กอยู่เราอยากคิดว่าเรายังไม่ตายเราคนที่จะรีบเราคนที่จะรีบสวดมนต์นั่งสมาธิครับแล้วก็ท่งองท่องพุทโธจนกว่าเราจะหมดลมหายใจสุดท้ายของเราครับอ่าเราทำได้ไหมทําได้ไหมทำได้ครับอ่าเกิไปนะจะได้ไปเจอความตายอย่างน้นไม่กลัวฉะนได้ไม่ทุกข์ ใช้เฉยได้ถ้าฝึกฝึกสติพุทโธอ ย, ย, ยนะู่เรื่อยๆนะเพื่็ใช้ปัญญาพ อ, อเกิดมาแล้วโลภผลความตายไปไม่ได้ครับโอเค okay. ดีมากทำถอไปมีคำถามเลยั้ยอันนี้ <c oughs> ไม่มีครับพี่ครับ ยางไงธรรมะของสอนของพาะุทธเจ้าดีไหมดีครับที่ตรงนี้ก็ไม่สอนพวกนี้เลยนะไม่เลยครับสอนแต่ประวัติครับอ่าให้คำสอนไม่เอามาสอนนะออ้ก็จดจำไว้นะนี่ข้อที่หนึ่งน้ำจำได้จาได้หมดไหมก็ ก็มีเึอบ้ากค่ะต้องเป็นกรรมาห้ทบทวนนะไม่ใช่เดี๋ยวได้ล้ได้ข้อหลังข้อข้อข้อหน้าเดิมต้องรักษาทั้งหมทั้งสามสิบแปดข้อตอนนี้เราได้21่สอ็ดข้อนะที่นี้ที่นี้ไม่มีเวลาจะให้มาทบทวนนะต้องทบทวนเราเองนะอาศัวนาจะบาลานันมันิตานันจะเสวนา ปูชาจะผููชนียานั่งเอตัมมังตัลโตมมังวดทุกคืนก่อน น, นอนนะตอนนี้ได้ยี่สิบข้อสวดยี่สิบข้อไปก่อน น, นอนไม่น้องแปลก็ได้เวลาที่จะแปลก็ได้แปลก็ดีจะได้จําได้เเข้าใจความหมายครับครับถ้าทําได้หนูจะเป็นเด็กที่ฉลาดมูลคณิตที่แปดนี่เป็นความรู้ที่ วิเศษที่สุดในโลกว่าได้วิเศษกับปริญญาเอจากจบปริญญาเอกก็ยังสูง้รู้มงคลสามสิบแปดนี้ไม่ได้ครับถ้ารู้มงคลสามสิบแปดแล้วรับรองว่าจะไม่มีความทุกข์เรียนด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์ก็ยังต้องมีความทุกข์เพราะมันไม่รู้ไม่รู้จักมงคลสามสิบปดว่เป็นยังง ครับครับโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีนะครับมีครับคุณได้อะไรมีอะไรนะ <c oughs> ไม่ดีส่ปฏิบัติอยู่กับพระเจ้าแล้วอ <c oughs> มันไม่ค่อยมีคําถามนะคะพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่ถามมันรู้ว่ามีแต่มีแต่สิ่งที่เราตกระทำนั้นนี่ค่ะค่ะเรารู้แต่เรายังทําไม่ได้มัญหาอยู่ตรงนั้น ถ้าทำได้แล้วสบายเอาหมายน้ำหมดก็เกิดก็ภูมใจให้เป็ น, นอุเบกขาให้เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างโอเคน ะ, ะนพัครั่งถูกกล่ขอบคุณพัดจางครับคุณสารการจากชายนาศ ำำกรรมน้ำมศการพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็ที่พระอาจารย์บอกว่าให้พิจารณาค่ะถ้าสมมติว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะก็อยากตอบเหมือนที่เคยบอกกับพระอาจารย์นะคะคือถ้าสมมุติว่าเออเป็นมากๆก็คิดว่าคงจะไม่รักษาไอ้อพวกใช้ยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า side effect มันเยอะลูกว่าลูกไม่ไม่โอเคแต่ถ้าสมมติว่า คือปล่อยให้มันเป็นตามนั้นเลยแล้วก็คือเจ็บก็เจ็บตีเดียวอะเขาอาจารย์ลูกคิดว่าค่ะยังไงยังไงก็ต้งงงงองตายกันดีใช่มันก็คือเราตชาตายตายชาก็ามา น, านหน่อยลูกลูกลก็รมานาน้อยหน่อยใช่เพราะว่าลูกเห็นรอบๆข้างะค่ะส่วนมากอะที่จะเจออคะ่ะก็คือแบบพอทีไปเยอะๆอะค่ะอาจารย์สุดท้ายก็ไม่รล้แล้วมันเยอะมาก ดีไม่ดีตายไม่อยาอเลยใช่แล้วไรใช่แล้วบางทีอะค่ะที่ลูกเห็นของแม่ลูกเนี้ยมันมีถ่ายมีอะไรกินสารพัดเนียค่ะอาจารย<ม>์แล้วดูวถ้าแฟนต้องมานั่งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหว<ม> <c ười> ก็ไปแบบปึ๊กแล้วไปแล้วเราก็อาจารย์อยู่กันสองคนเนี้ย ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเวลาถึงเวลาไฮการกับเวลาขึ้นเวทีตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นเวทีก็อาจจะพูดได้ใช่ใช่ลูกก็ว่าอย่างงั้นเพราะว่าพระที่พระอาจารย์บอกว่าเออบางทีเราคิดว่าเราเราได้ได้ได้แล้วพอถึงตอนจริงๆอะ่ะคือมันมันอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่แต่ใจลูกลูกคิดอย่างนี้ะคะ่ะอาจารย์เห็ น, นแล้วก็แล้วก็ บอกะคะเกี่ยวกับเวทนาลูกมีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นอยู่แล้วแล้วทีนี้พอเวลาบางทีนั่งอะคะ่ะอาจารย์พอนั่งไปแล้วบางทีมันจะปวดมากลูกก็เลยเปลี่ยนเป็นนั่งโต๊ะแต่ว่าลูกให้เข้าถ้าเข้าถึงภาวะว่างอะคะ่อะอาจารย์เอกรขาอย่างเงี้ยคือเราเอาตรงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์เฉยๆภาวะเฉยๆอเพราะว่าลูกอะอมีม มันจะมีบางช่วงอะค่ะที่พอเวลาขนาดนอนอย่าเงี้ยค่ะมันปวดมากปวดจนนอนไม่ได้อะค่ะอาจารย์ mm hmm. ถ้าก่อนที่ที่ที่ยังไม่ได้ฝึกอะค่ะอาจารย์จะรู้สึกหมดุดหนีเออแบบก็จะปวดตัวเองเหมืกันว่าแบบปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังอ่ะค่ะก็ฝึก mm hmm. ลูกก็เอามาพิจารณาว่ามันเป็นไตรักร mm ์ hmm. เออบไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นเอออนาตา แล้วก็ลูกก็อยู่ประมาณอย่างเงี้ยได้ค่ะคืออยู่ได้คือให้อยู่กับมันให้ได้เท่านั้นเองอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปวุ่นวายไปกับมันอย่าไปอย่าอย่าไปขับไล่สส่งมันไม่ยอมไปหรอกอยากใมันไปมันก็ไม่ไปไปเพราะว่าลูกว่าแบบมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะมันอยู่ในวันพอมันอันนั้นมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆถ้าเราหัดอยู่กับมันได้แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน อ่าค่ะลูกลูกก็ประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์เพราะจริงๆแล้วที่ลูกบอกพระอาจารย์เนี่ยคือลูกอ่ะที่ลูกมาก็ลูกจะฝึกสมาธิแล้วก็ลูกก็แค่จะอยากแบบอยู่แบบคนแก่ๆค่ะที่ลูกเห็นแม่เนี้ยฟังเทศนั่งสมาธิแล้วก็เอ่อทำทานอย่างเงี้ยค่ะเพราแม่ลูกอ่ะใส่บาตรตั้งแต่สาวยันแก่แล้วเขก็นั่งสมาธิแล้วก็ลูกว่าตอนตายอะสติเขดีมาก เออลูกก็เลยว่าประมาณอย่างเงี้ยใจลุกนั่ะชีวิตของเราควรจะทําอย่างนั้นไม่ควรจะไปวุ่นวายเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องหาเงนินหาทองมเกิไปเพราะเรื่อง <c oughs> เริ่องเท ว, ว่าค่ะจาน <c oughs> ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วปกติลูกจะเป็นคนอยู่บ้านอยู่แล้วตั้งแต่ไห น, นติดอแล้วใช่ค่ะแสดงว่าไม่เปนเก่าเลยจ ทำพระการส่วนมากกอตื่นเช้ามาใสบาปปุ๊บลูกก็เปิดเทฟฟังก็พ <c oughs> อเสร็จแฟนกลับมาลูกก็จะอาบน้ำแล้วก็เข้านั่งสมาธิประมาณนี้ค่ะมันก็เลย <c oughs> ลูกก็อยู่ประมาณเห <c oughs> มือนอยู่วัดเนีบ้านเราเหมือนเป็นบ้านไป <c oughs> ไม่มีบันเทอไม่มีอะไรนะไม่มีว่าลูกไม่ดูหนังพอทำทงานนะคะลูกก็ไม่ดูเลยค่ะมันไม่มีเวลาว่าง <c oughs> ลูกแค่แบบ มาถึงบ้านกินนอนแล้วก็ไปทํางานแค่เนี้ยค่ะก mm ็ hmm. ลเลยจะอยู่ประมาณนี้ลูกก็เลย ม, มันก็เลยไม่มีอะไรแล้วก็ที่พระอาจารย์ให้ให้คําที่ให้ให้ไว้อ่ะค่ะตอนที่ไปไปหาพระอาจารย์อย่าเงี้ยค่ะบอกว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ mm hmm. ลูกก็เลยเออแล้วมันก็อยู่สองคนแล้วมันก็เกินความจําเป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ mm hmm. ลเลยจะทําบุญแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ั mm hmm. ด ดีมากดีมากค่ะค่ะพระอาจารย์โอเคนะอ่าขอบคุณค่ะสาธุ <c oughs> คุณพิพิดากับนมัสการค่ะพระาอาจารย์เป็นยังไงค่ะ <c oughs> สบายดีค่ะหนูอยู่บนรถกำลังกลับบ้านจากที่ทำงานค่ ะ, ะก็ตอนนี้ก็พยายามปฏิบัติค่ะแต่ว่างานงานมันก็เยอะค่ะพระอาจารย์แล้วบางทีหนูก็เหมือนกับมันไม่ได้อิน กินหรือว่ามีเรื่องกระทบหรือว่ามีความโกรธหรือไม่พอใจอะไรนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าระหว่างวันเวลาที่เราโฟกัสกับเรื่องที่เราทํางานเยอะอะค่ะคือหมายถึงว่าพอมาทบทวนตอนเย็นแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาทั้งวัน่ะคือมุ่งไปแต่งานอย่างเดียวเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่ทราบว่าหนูเหมือนกับผึงคนจะปรับปรุงอะไรไหมคะในชีวิตประจําวันนะคะถ้าเราไม่โชคก็ไม่ต้อปรับปรุงอะไรที่เราทำไปมันไป็ความจําเป็นไม่ต้องทําไป คข้าราชกานเราจะไปทุกข์มับมันแน่ๆถาไปเพื่อเรื่องชีพค่ะาจาค่ะทำแบบปอวางได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่าไปเครียกับมันนะนอกจากว่าถ้าเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องทำงานก็หยุดซะไม่ทำปฏิบัติค่ะ ยพยายามพาแต่ยังเงยังเริ่มทำไม่ได้ก็ทำไปแบบอย่าไปเครียดจัมันอย่าไปเครียดกับการงานค่ะทำยังมีความสุขค่ะพดน่าค่ะอันนี้ก็เลยเหมือนต้องค่ะแบบมีสติคอยจดจ่ออยู่ ง, งไม่ต้องไปแล้วก็ใช้ปัญญาว่วามันไม่เที่ยงของชั่วคราวงานเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องบอกจากงาน ค่ะพรอาจารย์ค่ะ hmm. หนูจะพยายามต่อไปอย่างดีที่สุดค่ะจะพยายาม hmm. นั่งให้มากขึ้น hmm. กว่าเดิมค่ะอ่ะาเวลานั่งมากก็จะไหล ย, ยิง่งดีค่ะค่ะ จ, จะพยายามายแบบตอนค่ะตอนเที่ยงถ้าเกิดแบบทุกวันนีดก็กินข้าวที่ตัวทํางานค่ะแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบมันออกไปนั่งวัดใกล้ๆที่ทํางานดูค่ะพรอาจารย์เนี่ย hmm. จะพยายามดูค่ะโอเคดีมากกับค่ะ กราวขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะใสาธุคุณอนุนพัทธนุนพัทธ์จากบุญน่าช า, านีกล่าวนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกเข้ามากล่าวพระอาจารย์และร่วมรับฟังค่ะไม่มีคําถามค่ะเม่ชี้เมื่อเมียวการนามัสการพระอาจารย์ค่ะไม่มีคําถามอะไรค่ะโอเคให้เรียกเมื่อชี้จะใช้เรียกให้ให้เลียกคือบาสิกาดี อ๋อก็แล้วแต่พระอาจารย์ค่ะแล้วหนูเรียกตัว่าอย่างไรคะหนูก็แล้วแต่คนที่เรียกหนูค่ะคนเรียกหนูแม่ชีหนูก็แทนตัวเองว่าแม่ชีอะไรบางทีที่สองมุษนะค่ะใช่คนหนูก็หนูก็แทนชื่อชื่อตัวเองอะไรนยค่ะแล้วแล้วแต่แล้วแต่คนเรียกกันไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอืโอเคไปที่คุณอนุกูลต่ออนุกูล ยังไงวันนี้อาจารย์ไม่อยู่นะอ่านวิวก่อนคนระับ okay. น้อมสักการพระอาจารย์วันนี้อาจารย์มอบหมายให้ทำหน้าที่มาการเรียนเพรอาจารย์ว่าวันนี้ไปคลาสรียูเดียนครับ่ีเก็เลยมาทําหน้าที่แทนโอเคก็ okay. <laughs> <laughs> ยังมีสังคมอยู่บ้างนะอยู่ในโลกก็ยังต้องต้องเกี่ยวข้องกับคนอยู่ ก็ถึงเวลาปลดปล่อยโอเคต้องไปกันเนืคุณไม่ได้ไปกับเขาเลยเนอะเฉพาะเขาเป็นเฉพาะของเขาเฉพาะเฉพาะเซนฟังรุ่นเดียวรุ่นนั้นนะเราไม่เกี่ยวนะไม่เดี่ยวอาจารย์ไม่มีคําถามกับอาจารย์ถ้าที่คุณอ้อมถามอ้อมบอวิน ในมัทสการ์ค่ะไม่มีคาถามค่ะจะกินเข้าเมื่อไหร่นะวันเสาร์นี้ค่ะเสาร์นี้ะค่ะไปซกไปซักทความสะอาดจิตใจแต่แต่แปลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องต้องเพิ่มสติสมาธิเยอะๆค่ะโอเคค่ะถึงคุณร้อท่านพิดา กลับนิมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ออยอมขอม อ, อนุญาตมารายงานการปฏิแบัติแล้วก็ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ต่อเจ้าค่ะก็ในช่วงนี้ที่ยอมนั่งสมาธิก็รู้สึกว่ามันเข้าสู่ความสุขสงบได้ลึกขึ้นกว่าเดิมเจ้าค่ะแล้วก็เเข้าได้เร็วขึ้นแล้วก็อยู่ได้งานนานขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนกับเราก็ดูตัวผู้รู้ที่มันอยู่กับความสุขสงบ ไปได้เรื่อยๆแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. โยมก็พยายามเพิ่มเวลาในการปฏิบัติแล้วก็ตั้ง mm hmm. ตั้งตั้งเวลากับตัวเองไว้ว่าวันหนึ่งก็อยากให้ได้หลายบรลังมากขึ้นแบบอย่างน้อยสักสามรลัง mm hmm. แล้วก็โดยรวมๆให้ได้สักสามถึงสี่ชั่วโมงองนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ดีสมาธิก็จะทําให้ใจเรามีความสมีพวามหง เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าทําให้ในชีวิตเนี่ยมันเ อ, อรู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์กับอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าความสุขสงบในในชีวิตก็มากขึ้นแล้วก็เ อ, อถ้าเป็นช่วงที่เราเหมือนดูที่ลมหายใจก็รู้สึกว่ามันเหมือนละเอียดแล้วก็เบาลงเจ้าค่ะพระอาจารย์สมาธิมันทําให้ใจเราเย็นไม่หิวไม่หาอบกับสิ่งตา่างๆ เจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้ก็ในในบางบางจังหวะที่โยเหมือนกับเ อ, อเห็นในส่วนของเ อ, อภาษะเช่นมีรูปมีเสียงมากระทบแบบนี้เจ้าค่ะก็เบางทีเนี่ยก็จะเห็นว่าจิตมันเหมือนแบบมีทางแยกว่าเราจะไปมีอารมณ์ไปกโกรธอะไรตรงนั้นหรือว่าเราจะวางแล้วก็มันก็ถ้าเกิดถึงจุดตรงนี้ที่เราสังเกตเห็นได้มันก็ส่วนใหญ่ก็จะวางไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ ถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาได้เวลาที่มีมีภาวะมีความทุกข์กับเรื่องใดเรื่องหอนึ่งถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็ใช้กันนีใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติใช้เมื่อคำบริกรรมไมได้เจ้าค่ะพอาจารย์ก็คือถ้ามีความทุกข์เราก็เหมือนพิจารณาเป็นไปรักเป็นทาสูตรไตลักษอะไรแบบ น, นี้นะเจ้าใช่ถ้าใจเราวุ่นวายเราก็เรา ถ้าอยากใช้มัญหาบุ่นวายล้วก็เอาใช้ปัญญาพิจารณาสิทธิที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยมันตยแล้ววุว่นวาง่ายเราไม่ได้หายจาความวุ่นวายเจ้จคจาจค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ขอเ อ, อขอคําแนะนําเกี่ยวกับ เรื่องของการละอุปทานขันห้าเนี่ยจขาพระอาจารย์ว่ามันจะเป็นไปตามลําดับจากรูปคือส่วนละเอียดก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันมีสองตัวขันห้าที่เราต้องละก็คือรูปประคันกับนามประคันรูปประคันก็ร่างกายนามประคันก็คือเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมาเป็นทีมไมนมาพร้อมกัน โดยไม่หัวหอกก็คือตัวเวทนาอตัวที่มันแสดงที่เป็นปัญหากับใจก็คือตัวเวทนาเราทุบเขาเวทนาเราก็ต้องพิจารณามันว่ามันเป็นตายรับมันเป็นปายตามสภาวะธรรมเป็นเป็ลายตามเหตุตาปัจจัยเราไปห้ามมันไม่ได้ขํจาจับมันไม่ได้เจ้าค่ะ อันนี้เราก็ควบคู่ไประหว่างลูกกับตัวนามคือเวทนาแบบนี้ใช่ไหมครัก็แล้วแต่ว่าตัวไหนมันเป็นเป็นเป็นเป็นตัวตัวตัวเด่นบางทีน่างกายเป็นตัวเด่นกลัวตายมันเราพิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันต้องตายถ้าถ้ามันเจ็บก็เวทนาเป็นตัวเด่นครับพิจารณาเวทนาไป เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วพอถ้าเราสมมติว่าถ้าเราวางเวทนาได้นี่มันชุดของมันก็น่าจะถูกวางไปด้วยได้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอ<บ>าจารย์ก็มันมันมันด้วยกันอะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทำงานเป็ น, เ ป, นเป็นทีมอเจ้าค่ะแล้วราวางเวทนาได้แต่สัญญาสังขารวิญญาณมันยังทําหน้าที่ทางด้านอารมณ์ซึ่งมันเกี่ยวอจิตมันต้องไปอีกอิทธาดาองนึงตอนั้น อือเจ้าขาพระอาจารย์แต่ระดับที่มันเกี่ยวกับกายเนี่ยมันเราก็พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าเป็นตายรักวไปเจ้าขาพระอาจารย์กลับขอบพระคุณจเจ้าขาเวรนี้ก็โท่านี้เจ้ า, า, าขาพระอาจารย์ก็ปล่อยวางความตายกับความเจ็บกันอย่าไปกลัวความตายอย่าไปกลัวความเจ็บนี่ไม่พน้นไม่ช้าก็ไหนว่าต้องเจอ ก็คือลบบเจอมแบบไม่กลัวไม่กลัวเคยยอมยอมเจ็บยอมตายมันกมันก็ไม่กลัวที่ม okay ันกลัวเพรันไม่ยอมมันไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายมันก็ไม่กลัวแต่ถ um ้ามันยอมเจ็บมันยอมตายมันก็มันก็ไม่กลัวใช่ไห สำคัญกลับของคุณสำคัญค่ะนีออ่มันต้องไปทําข้อสอบมันต้องไปเจอเวลาต้องเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความกลัวตายเึ้นมามนกลัวเจ็บขึ้นมาไอ้กลัเจ็บนี่ไงเจอนั่งเป็นนานก็ความเจ็บมันก็ผอมขึบนมาพอมันผอมขึ้นมาแล้วเร า, เ, าเฉยอยู่มันได้ไหมไม่กลัวมันนมันจะมากขึ้นมาเราปอะหยัดให้มัน ไม่ต้องอยากให้มันหายไปเลยไม่ต้องอยากนี้อยากมันไปนนนะแต่ความตายในบิงต้องรอให้มีเหตุการณ์เข้ามาเป็นลถพลิกความอะไรเรือนั่งไปในที่ที่มันอาจะเจ็บแบบเสีกตายแล้วดูสิใจใจเป็นยงงางไรเจ้าคะต้องลองไปฝึกของข้าสนามจริงใช่ไหมเจ้ะ ตอนนู้ก็ทํารทำการบ้านไปก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวตายเตรียมตัวเจ็บไเกี่ยวกับเตรียมน้ำมันได้แล้วก็เราไปเราไปเจอของจริงหนึ่งวันเจอของจริงขึ้นไปไปอยู่ที่หน้ากลัวมันยังควอยู่หรือเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากเจ้าข่าววันนี้มีเท่านี้เจ้าค่ะยิ้สละทุกข์คุณความว่าอะไรอากศรีราชา กาบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หนเูเมื่อวันอาทิตย์ค่ะเอหนูนอนหลับกลางวันแล้วหนูก็ฝันว่าไปถวายอ่านปกติค่ะแต่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่ออกมาจากวัดแล้วเหมือนกับไปนั่งในรถแล้วมันก็ไหลไหลไปเรื่อยๆค่ะเบรคเหยียบเบรคมันก็ไม่ไม่เบรคตอนนั้นมันไหลไปจนถึงเหมือนที่กั้นสถ า, านีรถไฟเราจะไปชนรถไฟตอนนั้นในฝันนะ่ะหนูก็ร้องไห้กันเลย แล้วก็แต่ว่ารู้ว่าต้องตายแน่ๆสุดท้ายแล้วมันเหมือนก็เราก็เหยียบเบรกแล้วก็เลี้ยวทันอันเนี้ยพอเอาออกมาคิดก็คือเราก็ยังพิจารณาความตายไม่ได้ถูกต้องไหมคะก็เรื่องหน ะ, ะ, ะความฝันมันก็เป็นเป็นคล้ายๆกับตัวตัวบ่ง บ, บอกว่าเวลาเกิดเหตุ ก, การณ์จริงเรววาก็คงย่ังทํายังยังปองมไม่ได้ยัาวางไม่ได้ก็เลเหมือนที่พระอาจารย์คุยกับ พี่ที่เชื่อเลยนะคะศาสตราการก็คือเราต้องพิจารณาความตายบ่อยๆรือต้องไหมคะก็ต้องทําการบ้านต้องเตรียมตัวตายให้ได้ต้องยอมรับกับตายให้ได้จะไม่ถึงความตายตลอดเวลาทีมันก็ต้องมีเหตุการณ์ม า, มาทดสอบหรือว่ารับได้จริงก็แบบยอมจริงก็แบบอันนี้มันก็พูดได้อันนี้มันอยู่ใ<อ>นจิตวิทยาใชผมก็คิดว่าได้ได พอมาพบเจอในฝันอ้าวเอเอเร<อ>าไม่ได้น<ส>ู่กว่าเกิดมีมูลหรือมันเข้าไปในบ้านแล้วนี่จะเป็นไงแล้วเสริ่งจะไม่ไงค่ะตกใจ<อ>ตกใจค่ะก็มันก็ก็ต้องนั่งสมาธิต่อค่ะเรื่อยๆค่ะให้มันเฉยให้ได้ค่ะก็มีเท่านี้ค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะโอเคไปเพื่อนต่อเพื่อนคุณเลยอยู่ติดกันลนวันนี้ าการมาสกาอาจารย์เจา้าภาพก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์ก็ขึ้ น, ข, นขึ้นช็กเวทีพอดีต้องไปฟอล l o อัพค่ ะ, ะก็หกเดือนต็ระหว่างที่รอจะต้องไปเช็คพวกเมมโมแกรมลูกลูกลุ้นค่ะกลัวมากแต่ว่าก็ภาวนาพุโทโธค่ะตามที่พระอาจารย์สอนนะคะก็คิดว่า ทุกอย่างมันก็เราควบคุมไม่ได้ค่ะถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดเพราะว่าก็จะหลุนอีกข้างหนึ่งอุย๊ยมันจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพอดีลูกตัดไปข้างเดียวก็ถือว่ายังโชคดีที่เหมือนกับให้เราพัดหลบมุมก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้เจออะไรลูกก็ก็ไม่ได้ประม่านะเจ้าค่ะคะือสักวันหนึง่งถ้ามันจะเจออีกมันก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเจออะไรอย่างเงี้อยอย่าไปทุกข์กับมัน ก็เหนการปฏิบัติก็คือยอมมันมันจะมาเข้ามามันจะเป็นก็นเป็นใช่จะค่ะเราจเราจะได้ไม่ทุกไม่งั้เราจะทุกเราจะเครียดใช่ใช่ใช่นะคะพบกับคุณหมอคุณหมอก็บอกอย่าไปเครียดเพราะว่ามันก็มีโอกาสทั้งมาได้หรือไม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่และบุคคลก็แค่กับเรียนพอาจารย์น้ะคะว่าลูกพยายาม สอนตัวเองให้มากๆแล้วก็เข้ามานั่งฟังแล้วก็น้องไปช่วยไดช่ ย, ยไม่ทำร้ายี่มาศึกษามาแบบลูกจะบอกว่าเออจริงๆลูกไม่แน่ใจเคยกราบเรียนพระอาจารย์หรือเปล่าก็ได้เจอน้องปังวะไหลเมื่อเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะลูกก็ฟังมาตลอดฟังไม่ถึงกับทุกวีคคระอาจารย์แต่ว่าก็พยายามเข้าฟังมันเหมือนมันถูกซ้อมมาแต่พอมากรุมภาพันที่เราทราบว่าเราเป็นมะเร็ง มันเหมือนถล่มทลายค่ะพระอาจารย์ประมาณเดือนแรกเนี่ยลูกตั้งสติไม่ได้เลยรู้สึกแบบความทุกข์เยอะมากค่ะ mm hmm. ก็ก็ไม่ใช่เป็นการบ้านค่ะมันเจอสนามจริงเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็เริ่มค่อยค่อยตั้งสติแล้วก็ฟังพระอาจารย์พูดบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยฟังธรรมะแทบจะทุกวันนะคะพระอาจารย์แล้วก็สอนเราค่ะทุกอย่างว่ามันมัน มันเป็นใจรักอันนี้คือยังไงก็ก็ต้องเจอทุกคนก็เจอความตายเกิดมาแล้วยังไงก็แก่เจ็บตายลูกก็พยายามเนียอยู่ทุกวันเจ้าค่ะได้พระพุทธศาสนาเนี่แหละเจ้าค่ะลูกถึงอยู่ได้อยู่ทุกทุทกทุกวันนี้ค่ะค่ะดีไม่งั้นอาจจะฆ่าตัวตายไปก็ได้บางคนอาจจะคิดสั่งะใช่ค่ะมัน ม, มันซุกข์รค่ะเพราะว่าส่วน ส่วนหนึ่งเราก็ perfectionist ด้วยเราก็อยากจะให้มันหายอย่างก็ให้มันหายในช่วงเดือนเดือนแรกนี่ลูกทรมานกับมันมากเพราะคิดแต่เรื่องที่ว่าทำไมมันเกิดกับเราอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ลูกพยายามปล่อยจะพูดว่าเราปล่อย1้อยเปอร์เ็นตก็คงไม่ใช่เดี๋ยวก็ผิดผิดศีลก็พยายามนึกแล้วก็ทบทวนเขาเรื่อยๆเจ้าค่ ะ, คะทำไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆต่อไปอมันก็อาจจะปล่อยได้หมดอ เจ้าค่ะก็โนเพโนเกนเจ้คะหนูท่องไปตลอดที่อาจารย์สอนจ้ะค่้าค่ะโอเคพยายามทาต่อไปนะสมาทีนี้สําคัญสมาที่จะช่วยทําให้เราปล่อยได้อันนี้เรามีปัญญาแล้วทำแล้วแล้วว่าเราต้องปล่อยแต่เดี๋ยวมันยังปล่อยไม่ได้ร่างกายอุเบกานะคะเจ้ะคะน้อมกล้าพระอาจารย์เจ้าค่ะคระผู้คาคุณสันนี่เช้าคุณสันนี่ การนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามมาร่วมฟังค่ะโอเคอยู่ที่ไหนนั่าลืมแล้วออาแบางคของอยู่กรุ ง, งเทพ ค, คุณพงพงพันธ์พิรมคลายภาพครับการนมัสการพระอาจารย์ครับทย่ที่อหน อ, อยู่ขันแก่นครับร <detto S 2> <ead. S 1> อาจารย์ก็นนอาทิตย์ที่แล้วก็เข้ามาครับก็เข้ามารายงานผลการปฏิบัติ ตั้งแต่ฟังพระอาจารย์มาระยะหนึ่งเดือนครับรอบนี้ก็เข้ามาอีกครับรอาจารย์แต่ว่ามีคำถามนิดหน่อยครับก็ในวัยเด็กนะครับช่วงช่วงประถมนะครับมีโอกาสไปเล่นกับเพื่อนๆกลุ่มประมาณเกือบสิบคนครับแล้วทีนี้พอดีลูกเหลือไปเห็นกิ้งก่าตัวหนึง่งมันอยู่บริเวณที่เพื่อนๆ เ, เล่นกันครับทีนี้ก็เลย กลัวว่าเพื่อนๆเห็นเนี่ยแล้วเขาจะทําร้ายซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้าเนี้เพื่อนเพื่อนเขาก็เคยทำร้ายกิ้งก่าจับกิ้งก่ากันตามภาษาเอกิสานนะครับจับไปกินจับไปทําอะไรเนี่ยแต่ว่าลูกเห็นแล้วก็กลัวว่าเออเจ้าตัวเนี้ยจะจะโดนเพื่อนๆทําร้ายกลัวจะโดนจับไปกินทีนี้ด้วยความหวังดีครับก็เลยจะไล่เขาก็เลยไปหยิบเอาก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่เท่าประมาณลูกตะก้อครับก็กะว่าจะโยนไล่ให้เขาตกใจแล้วก็จะได้ จะได้วิ่งหนีไปครับแต่บังเอิญว่าโยนไปแล้วมันพลาดครับมันไปทับเขาตายขาที่เลยครับทีเนี้ยก็เลยตั้งแต่นั้นมาครับมันก็เลยเป็นภาพจำมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยครับพระอาจารย์ตรงนี้ก็เลยขอคำแนะนำพระอาจารย์ช่วยช่วยแนะนำวิธีแก้ให้มันหลุดจากภาพจำหรือว่าทางใดก็ได้เออจต น, นาดีมีความเมตตา แต่การกระทํามันไม่ดีมันผิดพลาดก็ไม่รอบ้อกับอมันไม่เป็นมันไม่เป็นบาปเพราะว่ า, าไม่มีเจีตนาที่จะทำร้ายมันมีเกียรตนาจะช่วยมันแ ต, แต่ว่าการการช่วยเหลือเรามันไม่รอบ้อบมันไม่เกิดการผิดพลาดขึ้นมาครัก็มาเป็นบทเรียนสอนเราว่าเราไปจะช่วยใครอะไรต้องเกียรตนาะให้รอบคอบแต่ว่าเรา เราทำได้ไหมทําแล้วเขาลอดไหมยอือทำแล้วเขากลับแยก่ปงั้นไม่อยากไปทำเลยปะครับปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาไปถ้าเขาจะรอดเขาก็รอดเขาไม่รอดเขาก็ไม่รอดแต่อย่างนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทบของเราครับอาจารย์ครอีกหนึ่งคําถามครับอาจารย์ก็พอดี เอเหมือนกับตัวเองมีปมตั้งแต่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยครับคือจะมีปมว่าเอกลัวเรียนไม่จบกลัวสอบไม่ผ่านอย่างเงี้ยครับแล้วก็เท่าทุกวันนี้ก็ยังกลับไปฝันว่าตัวเองเรียนไม่จบสอบไม่ผ่านอยู่แต่แต่พอออกจากความฝันมาก็ก็ไม่ได้ไปรู้สึกยึดติดอะไรมันนะครับแต่ว่าพอนอนหลับทีไรเนี่ยก็ก็จะฝันเรื่องนี้อยู่เป็นวันครับอาจารย์ขอกราบทําแนะนํำด้วยครับเราเป็นวิตกกังวล พวกวิตกเจริญเนี่ยขาดปัญญาน้อยใช้ปัญญามาแก้ว่าเราทำของเราถ้าเราตั้งใจทํามันก็ต้องสําเร็จับจะได้ไม่ต้องวิตกงั้นก็ให้เราพยายามเจริญที่เหตุจเจริญจบไม่จบก็อยู่ที่ว่าเราขยันเรียนนะขี้เกียจเรีย น, นถ้าเรากลัวจะไม่จบเราต้องขยนันเนี่ยนอย่ขี้เกียจเรียนขยันทำน บ, นบ้านขยันเรียน อะไรทั้งนั้นนี้เอาเอาความจริงมายินยันทำไมครับของลูกก็มีเพียงเท่า น, นี้ครับค<อ>ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับทุกอย่างมันมีเหตุมีผลเนี่ยผลมันตามมันตามมาจากเหตุถ้าเราทําเหตุได้ครบมันผลก็ต้องเกิดเป็นตามตา ม, ตามเหตุหนึ่งครับแล้วเอาเอาเอาเหตุผลนี้มายืน มาแก้ความวิตกกังวลแล้วแล้วการแก้เนี่ยครับการแก้ความวิตกกังวลเนี่ยจําเป็นไหมครับว่าเราจะต้องแก้หลังจากที่เราจเจริญสมาธิออกจากอปปนาสมาธิตอนช่วงจิตได้อุเบกขานะครับอาจารย์มันจะช่วยได้มากไหมครับคือมันการแก้ ม, มีอยู่สองสองถ้ามันยังถ้ามันไม่มีความวิตกมันก็ไม่ได้แก้ โ ด, โดยตรงมันก็เป็นเพียงการซ้อมทำการบ้านไปก่อนครับถ่ถ้ามันมีมันเป็น ม, มีวิตกแล้วเราออกจากสมาธิมาแล้วเราพิจารณาได้เห็นได้ผลมันก็หายได้ครับกลับความประคุณครับอางทีเรานไปตีตอนก่อนไข่เหตุการณ์ยัไม่เกิดเราไปวิตกกังวลกันไก่อนนะ การ <S <S เราใช้ปัญญาว่อาอนาคตเหตุเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ไม่มีใครไปกาหนดรู้ได้ไปกําหนดได้วาันจะเป็นอย่างนั้นหมือไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช้คิดแบบใช้ปัญญาหน่อยนะมันก็จะแก้ความไม่จบได้ครับโอเคนะครับขอบพระคุณครับคุณยินดีตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กรองแสนอยู่ค ยไปอเมริกาลวสียาัวิลยูฮัลยูบงชัวบงชัวีวทางทางประเทศไทยทางประเทศ o ทยบงชั t i o n morning for you h u b i n n i n afternoon b e g i n n o n g a f r n o o n o y o u have day o f today Day of today, tomorrow, and Flying Friday. I see you flying <laughs> to the U.S. Back to the U.S. Kansas. Uh, back to South Carolina first, and then Kansas after. Okay. I hope you like your new position, your new place o work. <laughs> <laughs> okay. Nice to meet u Une bonne santé à vous, a j a n Thank you. แม่สีโบกูอารย์ยูบีไรไหมไม้ยอจ์ไม่มีค่ะล้กนขอตัวขอตัวไปทำบุญเถอะแม่บ้องบวยาดบ้งบ้องวยาดสาทุสาธุมอดีมาดีนะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์โอมาโอวา โอ้ว้าค่ะและเดี๋ยวนูกกไปเจอท่านอาจารย์ที่ที่น่นกับที่อเมริกาอเมริกาทนาเจอันโอเคนบเนายบายท่านอาจารย์บายบายโอ้โหโอเคเป็นคุณแคต่อแคทคุณแคทอยู่ที่ไหนเข้ามาั้างแรกก่อนอ่าพูดได้เลยอ๊ะ ูดมีอะไรที่ไหนอปิดกล้องดิูได้เลยทุกอย่างโอเคสวัสดีค่ะมองไม่เห็นอยู่ที่ไหนจวัดระยองค่ะเออน้าท่วมเมอวานท่วมท่วมะท่วมเยอะเลยเพื่อนบ้านเพื่อนนี่ค่ะบ้านหนูไมท่วมอยู่แถแครง่ะอยู่หนูอยู่ระยองอะ ใช่เอออยากจะสอบถามบาอาจารย์เกี่ยวกับอสุภาสัญญ า, เ, าเวลาจเจริญแนะนำหน่อยหน่อยกันทำไม่ค่อยเป็นก็ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอัุภปาเพราะว่าไม่สวยงามก็เวลาที่ไม่ในในสวยงามก็ต้องดูภายใต้ผิวหนังเข้าไปใช่ไหม แต่บางบางส่ว น, นเราเราเร า, เราไม่รู้เราไม่รู้รูปร่างเนี้ยเราเปิดหนันงสดูเปิดหนังสือดูเลยเปิดอินเทอร์เน็ตเนีเ่ยมีสามสิบสองอาการนะมันเยอะค่ะเราเอาเอาแค่อาการห้าอาการได้ไหมอ่ะก็ห้าอาการมันอยู่อยู่ข้างนอกมันยังไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยต้องเอาให้ครบชนี่ยก็ไม่ต้องครบหรอกไม่ต้องครบแล้วเฉพาะพวกไอ้ครงกดูพวกปอดพวกตับพวกลําไส้อะไรพวกนี้ ดูแค่นที่คนที่ที่เห็นชัดชัดใช่เห็นชัดชเห็นอวัยวะเราเอาแค่ที่เราแล้วเราก็สรุปไอพวกน้าน้าต่างๆไม่ต้องดูก็ได้น้ำเหลืองน้เลือดน้าเหนือน้ำมันข้นน้ามันเลวอะไรพวกนี้ไม่ต้องดูก็คด้ดูแต่ตั้งแต่คงมรดูเข้าไปก็ดูคงก็ดูปอดตับไตหัวใจลาไส้สมองอย่างนี้ จะได้เห็นว่าร่างกายของคนมันไม่มันไม่สวยงามตามที่เขาพยายามจะจะหลอกกันใช่ไหมมมีหนังหุ้มหออไว้ท่านนี่แต่เต็มไปได้วยของที่ไม่สวยไม่งามมีประการต่ตางๆเล้วท่อง<ม>ยังโคเมกาอยหรือว่าท่องคำแปลงกายของเรานีา่แล้เรื่องต้น เรืวนตั้งแบบพื้นเท้าขึ้นมาเรื่องตามดังตามันจะต้องท่องให้ล่องเลยใช่ไหมฮะแบบตอนต้นทําให้มันให้ท่องกว่าจําชื่อเอาไปเอาเป็นภาษาไทยด้วยนะแปลมันจะได้เข้าใจควากมายอย่างนี้มันเยอะยๆมันหนูหนูเอาเลือกรายการที่อาจารย์บอกจะว่าเด่นๆแล้วก็ท่องให้ท่องเลยแล้วก็มาม า, มานั่งสมาธิให้มันจิตมันดิ่งเลยใช่ไหอ๋อไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้อง <c oughs> ไม่เกี่ยวกับสมาธิอันนี้ปัญญาอันนี้อรรมดาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ทําได้ดูได้ นึกนึกได้ตลอดเวลาเห็นร่างกายกครพยายามมองเข้าไปข้างในเฮ้ยร่างกายเขาข้างนอกมีอย่างนี้ข้างในมีอะไรบ้างเนอะต้องต้อ ง, ต, องต้องเริ่มเริ่มใหม่ดูไปท่องสามสิบสองมันเยอะไปอะ่ะเออเอาแค่เราแค่โคงกระดูกโครงกระดูกเขาอ่าคนที่มีโครงกระดูด<อ><ๆ>กหรืเเอเ<ๆ>ปล่าคนที่มีตับมีไตหรือเปล่ามีปอดหรือเปล่ามีลำไส้หรือเปล่า่ให้ให้จิตมันเรียนรู้พวกนี้ให้ใช่ไหมคะ แต่มันเลถึงภาพเวลามองคนเวลาเขาแต่งตัวหล่อหล่อเล้าเล้ามาหลอกเรามันจะบอกโอ้ยอย่ามาหลอกกูเลยใช่ไหมกูรู้ว่ามึงมีอะไรบ้างในร่างกายมึงอ่ะมึงอย่ามาแต่งตัวหลอกหลอกกูเลยทําเท่าทําผมทําอะไรอ่าอันนี้เป็นของปลอมของหลอกของจริงอยู่ข้างในค่ะ ใช่แลค่วะวเข้าใจอันนี้ไม่ต้องทําสมาธิอันนี้เวลาเวลาสมาธินี้ไม่ให้คิดไม่ให้คิดให้ใช้ดูลงแทนพุโทโธแทนไปทํามทสมาธิต้องการให้จิตมันนิ่งให้มันสงบให้มันได้พักผ่อน <c oughs> แต่เวลาออกจากสมาธิมาก็น้นถึงมาการฐานที่สองไม่รักษานทีสองเน้กถึงห้าหกอาการนี้ก็มอ <c oughs> ก็ดูตายตับลำไส้ พอใจเยอะแล้วแล้วหนูสงสัยข้อหนึ่งล้วเราดําเนินจิตนิ่งปุ๊บแล้วก็ออกทางปัญญาแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันถึงจะเดินเดินต่อไปออวลาจิตเวลาจิตนิ่งไม่ให้ไม่ออกทางปัญญาถ้านั่งสมาธิให้มันนิ่งนานๆมันจะเป็นไปเองงงไม่ไม่เป็นไปเองเวลานั่งสมาธินี้ต้องการให้มันนิ่งไม่ต้องการปัญญา ปัญญานต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วถ้ามาเดิปัญญาคนรังงานกันคนลัเรื่องกันแต่นั่นสมาธิอย่ไปทําปัญญาปัญญามั้ยเวลาออกจากสมาธิแล้วค่อยทําปัญญา ไ, ได้เน้นถึงอาการสามสิบสองไม่ต้องสาสิบสองเนึนถึงอาการใหญ่ๆ<ผ>มือนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับท้องผึกไตปอดเส้ใหญ่เส้นน้อย อาหารใหม่อา ห, หารเก่าเยอะในสมองสีส่ษัปแค่นี้ก็พ อ, อ, อน่านึกภาพเปิดนทั้งสือดูก็ได้นะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงหนงสือนี่ก็าสอนสอนนักศึกษาแพทย์บันเข้ามาในอินเทอร์เน็ตก็ได้เขียนว่าอ่านาโตมี่มันก็โผล่ ม, มาเราเห็นนะเข้าใจไหมอพอเข้าใจค่ะแล้ว อีกข้อหนึ่งเวลาให้นั่งสมาธิตอนคืนค่ะให้นั่งทั้งคืนนี่เขาเขาพิจารณาอะไรกัน <c oughs> คะหนึ่งงงมาก็แล้วแต่เราความจริงถ้าเราอยากจะทําสมาธิก็ทําสมาธิธอย่างเดียวทั้งคืนก็ได้ <c oughs> ไอ้มันนิ่งทั้งคืน <c oughs> พุโทโธไปทั้งคืนเรือดูลมหายใจไปทั้งคืนไมต้องทําอะไรฝึกสมาธิไปก่อนถ้าฝึกปัญญานึกถึงอังคารที่สองไปทั้งคืนก็ได้ ทไว้มันให้มันจดมันจำได้ให้นึกเห็นเห็นภาพของอาการต่างๆในน่างกายได้และอีกข้อดึงยค่ะสมมติว่าเราเราจะเพียรรู้ว่าสมองเราจะเพียรรู้เพียรรู้หมายความว่าเราสร้างสปีดโดยการยกมืออย่างเงี้ยแบบได้ไหมคะว่าจะได้จะได้แบบได้แต่มันไม่เป็นธรรมชาติ ตอนเย็ให้ให้ดูตอนที่เราทำอะไรไปดีดีดกว่าไม่ต้องมานั่งยกมือให้เสียเวลาดูตอนที่เรากินข้าวดูตอนที่เราเอาบน้ำมันก็มีการยกมายกมืออยู่ใช่ไหมออให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่ะให้ที่มานั่งยกมือดูมือนี่มันไม่เป็นธรรมชาติเวลาเวาเวลาเดินก็ดูเท้าเดิน เวลาใช้มือก็ดูใช้มือทํำอะไรใช้มือกินข้าวใช้มือมอาบน้ำมาดูไปอย่าให้ใจไปที่อื่นง่ายๆไม่ต้องการให้ใจคิดอย่างนั้นเร่องนี้ให้มันดูงานที่เรากาลังทําอยู่อ น, นี่คือฝึกสติไม่ให้ใจลอยถ้าเรามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะได้อยู่กับนองอยู่กับพุโทโธแล้วมันก็จะสงบได้ สนใจนะลองปฏิบัติดูค่ะนารรมค่ะนะโมต่านะโมเป็นนามสกุอลอะรโสตารโให้เป็นวสงคารนะพระอา<ช>น่นีามสกุลผมครับโสธโค่ะเป็นอด้า น, นามสกุลนะใช่ครับราอาจารย์ไงไมีอะไรไหอันนี้อันนี้ไม่มีคาถามครับมาร่วมรับฟังธรรม ใช่่ครับอาจารย์หายไปไหนที่รูปแบบนี้ัไม่มา้ากอมาอยู่ทุกอาทิตย์เข้าอยู่ทุกอาทิตย์ทำกันทันนะเข้าสายคืนนี้คุณยานไม่ได้มาด้วยนะคุณยานไม่มาครับแคงกลไม่สาเร็จวันนี้รายการทีวีโปรดเนื้อทุทีเรลยนไม่ไหวครับอาจารย์ชวนมาแล้วครับอ่าไม่สำเร็จ อเดี๋ยวลองแกล้ยกล่อมใหม่ครับอาจารย์น่าจะประสบความสำเร็จก็อย่าไปอะไรมากเดี๋ยวแกจะโกรธเราจะเกลียดเราทชวนชวนเฉยๆพอยากขึ้นนี่เตือนเตือนสติยากขึ้นนี่มีมีซูนขึ้รยาท่านี้ก็พอแถ้าแกอยากจะเข้าแล้วเข้าเองับอย่าไปขยันขยามากกนไปเดี๋ยวจะทําให้แกไม่พอใจได้ครับ อาจารย์ท่านรักอคุณยายท่านอาจารย์ครับท่านยอมทิ้งได้ครับก็แล้วแต่นั่นนีแล้วแต่ท่านนะโอเคมีอะไรไ ม, ไ ม, ม, มนะ่ไม่มีคำถามอะไรนะนี่มีคําถามเสียงถัดการหายหายไปโอเคงั้นไปที่คุณพร้อมทราบต่อคุณพร้อมทราบอยู่ที่ไหน มุนน้ำมันสกัดสสกราคาพระอาจารย์อยู่ที่ไหนคุณความทําอยู่บึงการค่ะบึงการมีอะไรไห ม, มบางแถวไร่เปล่จ้าป่มามามาเติมพลังจิตค่ะถ้าไม่มาน่ะมันเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจมากจาก้าค่ะอืาถ้าได้มาฟังพระอาจารย์มันมีพลังจา้าป่ะแล้วก็คเหมือนจานน้ำมันรถ<ด>ยนต์การฟังธรรมนิพนธ์เหมือนเตาถ่านรถยนต์ เดีวค่ะเหนื่อยมากประเมินวีเอเหนื่อยมากอยากโอ้ยเหนื่อยจนเส้นเลือดจะแตกจะมองจะแตกทั้งสวนนักเรียนข้าน้อยเหนื่อยมากเลยค่ะเป็นครูอย่าอย่าไปอย่าไปอยากมากเกินไปสอนแบบสบายสบายอย่าไปอย่าไปจับปูใส่กะนองมีหน้าที่สอนก็สอนมันจะฟังก็ไม่ฟังก็อย่าไปสนใจมาก ถ้าพยายามที่ไปควบคุมมันมันก็ทำให้นอนเลนื่อยเจ้าค่ะจะบาปเพราะว่าเด็กก็เด็กผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่โอยอยากออกจากครืเลงเกินเจ้าค่ะระบายาแล้วนี่น้ทานโอเคอดทนนะคิดว่าทำหน้าที่เมตานะให้ความรู้เด็ก ก็ก็ ค, คิดถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าท่านก็เป็นมรุมมรูคูข้าน้อยนี่เป็นคูแล้วมันก็ยังยุ่งอุ้ยยุ่งเพรเราอยากมากเกินไปอย่าไปอยากมากเกินไปสอนมันมีหน้าที่สอนก็สอนมันจะมันจะฟังแล้วไปฟังมันก็เรื่อมันอยา่าไปเครียดกับมันจะพยายามปล่อยวางจะโมูโหแล้วก็เดินแล้วก็กลับมาใหม่<อ>แต่ว่า แต่ว่ารู้ใจว่าถ้าเหนื่อยแล้วก็ถ้าคิดถึงธรรมะก็อยู่ได้เจ้าค่ะแต่แต่ถ้าไม่มีธรรมะนี้โอ้ยร้อนอยู่ไม่ได้เลยค่ะโอเคดีพยายามใช้ธรรมะปลอบใจนะโอเคขอบคุณที่ทานตอาอบคุณทรายอ่ขอบคุณทายน้องกัดมัตสการ์พระอาจารย์เจ้า ค่ะพระอาจารย์ได้ยินหรือไม่ได้ยินชัดเจนค่ะก็ของหนูก็อาทิตย์อาทิตย์เนี้ยค่ะก็เริ่มเริ่มพยายามไม่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือก็ตื่นขึ้นมาพยายามพุดโธให้มีสติก่อนเหมือนพระอาจารย์บอกว่าตื่นขึ้นมาให้พุดโธเลยหนูก็อลองท<า>ักดูค่ะอ า, อาทิตย์นี้ก็ ด, ดีคะ่ะพระอาจารย์ก็คือตอนเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็ เข้าห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้าก็จะติดมือถือเอาใจออกข้างนอกไปไปทุกครั้งเลยแต่ตอนนี้ก็คือวางมือถือไว้เช้าวันยังก็เข้าไปก็ไปนั่งห้องน้ำก็ใช้อยู่กับบริกรรมพุทโธอยู่ในใจอะคะ่ะ <c oughs> ก็ดีคะ่ะ<ม>แล้วก็การนั่งสมาธิของลูกตอนนี้ก็ถ้าอาจารย์คะถ้าเรากระดุกกระดิกหรือว่าเกินน้ำลายหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องมาเริ่มใหม่ แต่ว่าแล้วคําถามอีกคําถามหนึ่งก็คือถ้าเราไม่เกินน้ําลายแต่ว่าเราตอนที่เรานั่งเราก็หายใจเบาๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอร่างกายมันเหมือนงุ้มงอลงไปแต่เราก็สูดลมหายใจลึกๆเนี้ยแต่ตัวมันเหมือนกับมันยืดแล้วให้มันตรงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างนี้ก็คือต้องเริ่มให ม, ม่ก็เหมือนกลับไปเริ่มต้นให ม, ม่เวลาเริ่มเริ่อย่าไปอย่าไปสนใจเรื่องร่างกายเลยมันจะงอมันเองต้องปล่อยมัน ไ ม, ไ, ไม่สนใจให้สนใจอยู่กับพุทโธเรื่องลมอย่างเดียวไม่ไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์แบบก็ก็ถูกก็ถูกแหละแต่ว่าเอ่อยมหมายถึงประมาณว่าถ้าเรามันมันเหมือนกับว่าเราหายใจเบาๆแล้วก็เราไม่ได้ตั้งใจนะครัอาจารย์เราสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็มันยืดขึ้นไปเองอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เราบังคับลมอย่างแสดงว่าเราเรามเราเังคับลม อ, อย่าไปบังคับลปล่อยให้มันหายใจเองเราดูลมในหน้าที่ดูลมอย่าไปบังคับมันหายใจลึกๆยาวๆไม่ต้องออ๋หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเมันสติเรายังมีน้อยอยู่มันก็เลยทําไปโดยอัตโนมัติค่ะมันเหมือนเพลืออะไรอย่างเง<ย>ี้ยประมาณว่าจะค่ะก็ไม่ก็ไม่ไม่เป็นไรก็อย่าไม่สนใจถ้าดูลมไม่ได้ก็เราพุทโธพุทโธไปแทน ค่ะก็ใช้คํา บ, บริการพูดโทนั่นแหละค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนกับว่าแบบมพอมันเบาๆแล้วเหมือนกับมันต้องดูลงกันไดไม่ต้องดูลงก็ได้พูดโทย่างเดียวก็ไอ๋อค่ะค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็พยายามทําอยู่เรื่อยๆค่ะบางวันถ้าเหนื่อยมากยมก็นอนอก็นอนนอนพูดโทแล้วก็หลับไปเลยแต่ก็มันก็ไม่ไม่ถ้าทําแบบนี้ถ้านอนพูดโทมันก็จะไม่เจ็บแต่ว่า เราก็ไม่รู้ว่าเราได้พุทธโธนานแค่ไหนล้วก็ก็ไม่เป็นไรไก็ดีพุทธโธก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ก็ดีค่ะดีกว่านอนไม่หลับะค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพยายามพยายามทำไปเรื่อยให้มันติดไปนิสัยแล้วต่อไปมันจะมีสติมากขึ้นไปตามลำดับนะนะคะค่ะคขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณสุพัฒนา จาก บ, บอวินจากธรสการพระอาจารย์ก็ผ่ะพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่ฝากคําถามม า, า, า, มมา ก, ก็ฝากพระอาจารย์โยมอย่างได้คําตอบกับพระอาจารย์ก็ค่กพระอาจารย์แม่ถามว่าส่วนมนต์เสร็จแล้วก็นึกถึงลูกไม่ส่งบุญให้ลูกหรือว่าส่งบุญให้กับเอคุณพ่อคุณแม่ของของแม่ที่ตายไปแล้วอย่างเนี้ย อจะได้บุญไหมแม่ถามอะคะ่ะไม่ได้แล้วก็คนสวด ย, ยังไม่ได้บุญเลยก็ค่ะเพราะการสวดจะได้บุญนี้มันต้องสมบเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาแล้วก็บุญแบบนี้ก็เป็นแบบ่งให้คนอื่นไม่ได้อุเบกขานี่ของใครของมันต้องทํามันเองก็ค่ะอันนี้อันนี้โ ย, ยงฟังคําคําตอบ ตรงเนี้ยมาทักมานานแล้วแต่โยมไม่อยากไปตอบแม่เองเหรอไหมมันจะกลายเป็นว่าเราไปไปถอนแม่ก็เลยมาขอมาตอบอาจารย์นะเจ้าค่ะแล้วอีกอันนึงที่โยมจะขออนุญาตถามอาจารย์ก็คือเวลาเรานั่งสมาธินะคะอาจารย์พอเราพอเราเริ่มสงบแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเราจะอยู่อยู่ที่ที่ลมอยู่ที่ลมอยู่ที่ลมเจ้าค่ะอาจารย์ แต่พอเรานั่งไปนานๆเราจะมีความรู้สุขว่าเหมือนเรานั่งอยู่บนก้อนหินก็คือเออ่ถ้าถ้าเรามองก็คือมันเหมือนกับเราเจ็บขาแต่เราไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปรู้ใช่ไหมคะว่ามันเจ็บยังไงอะไรยังไงก็คือเราปล่อยให้อยู่กับลมไปให้อยู่กับการภาวนาไปเจ้าค่ะที่ทราบอย่างนี้ก็เพราะว่าพอเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ถึงจะรู้ว่าเราเป็นเจตชายใชคะอาจารย์ก็คือใน ในขณะที่นั่งก็คือนั่งโดยที่ไม่เอาไม่ต้องไปสนใจไออตัวนั้นไม่ต้องเป็นรู้ไม่สนใจเลยใหย้สนใจกับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจอย่เป็นลมหรือพุโทโธให้อยู่ครับเจ้าค่ะเจ้าค่ะอะไรไ<ม>เกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรับรู้กลับมาที่ลมถ้าดูลมก็กลับมาที่ลมถ้าพุโทโธก็กลับมาที่พุโทโธเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระตาม ขอบพระคุณเจ้าค่ะมีคําถามเอ่นี้เจ้าค่ะพรอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุค่ะคุณกิติศกดิ์นายกองธรมีกิติศักดร์นักศึครับพอาจารย์ครับอตอนนี้อปฏิบัติอยู่ทุกวันครับพอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกออ่ช้าลงใจเย็นลงเอ ทีนี้มีคําถามจะเรนถามอาจารย์ว่าเวลาทํางานเดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยมีความ เ, าเหมือนกับต้องต้องต่อสู้เอาให้ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่เวลาทํางานต้องแบบต้องให้สําเร็จในทุกๆงานตอนนี้มันเหมือนมันเออทาไปสําเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้มันเลยบางทีมันเลยรู้สึกว่ามันทําให้ประสิทธิภาพงานของเรามันลดลงครับอาจารย์ เราจะคิดยังไงดีครับแต่ใจมันก็ไม่ไม่ร้อนรนเหมือนสมัยก่อนนะครับใจมันดีคือมันสบายสบาๆก็ประสิทธิภาพมันก็อยู่ที่การการทําของเราถ้าเราไม่ทําเต็มที่ประสิทธิภาพมันก็ต้องลดลงไปตามทามเหตุนั่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเป็นหรือไมาประสิทธิภาพหรือไม่ถ้าจำเป็นก็ต้องทําให้มันทําเหตุให้มันเพิ่มขึ้น แต่ถ้ามันไม่จําเป็นต้องให้มันประสิทธิภาพเหมือนเดิมคือพอให้มันผ่านได้พอให้ไม่ให้เขาไล่ออกได้ก็ไม่ต้องไปคำวนวณว่าเราตอนนี้อาจจะมีสัานคติต่อการทํางานที่ไม่เหมือนเหมือนเดิมแล้วเมือ่อก่อนแล้วจริงอาจารย์กับการงานได้ผลงานมากขึ้นที่เราเป็นเนื้อเป็นหนังของเรา แต่ตหลังนี้่เรามาได้ยินได้ทาทําได้ปฏิบัติทำแล้วเรากลับเห็นว่าการทําใจให้สงบเนี่ยเป็นเป็นตัวสําคัญกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายมันก็เป็นธรรมดาประสิทธิภาพมันมผลงานมก็ต้องด้อยลงไปใช่ไหเพราะเราไม่แด้ความสาคัญกับมันเหมือนกับเมื่อก่อนนี่แล้ ว, ลวเราให้ความสำคัญกับการรักษาใจอะมากมายใช่ ก็ไม่เสียหายตรงไหนนอกจากว่าถ้ามันได้มากเกินไปก็อาจจะถูกเขาไล่ออกนั่นงครับครับแล้วกอข้อทีกข้อสองครับอาจารย์คือเวลาภาวนาครับสมัยก่อนผมจะดูลมหายใจแล้วบางทีมันชอบอหลุดออกไป mm hmm. ก็เลยหันมาใช้คำว่าพุโทโธแต่ก็นานแล้วนะครับที่เปลี่ยนเป็นพุโทโธแล้วก็บางทีก็เลพุโทโธมันหายก็กลับมาดูลม ทีนี้ในปัจจุบันรู้สึกว่ามันออ่ในช่วงที่มันเข้าไปสงบแล้วครับมันเหมือนบางทีมันก็ยังมีผุดขึ้นมาความคิดครับเราก็เลยเหมือนกับว่านั่งเฝ้าในความคิดมันเลยมองจุดที่มันผุดขึ้นมาครับมันคิดขึ้นมาพอไปเฝ้าปุ๊บมันหายไปเลยครับพระอาจารย์มันไม่คิดขึ้นมาเลยมันทำอย่างนี้ถูกไหมครับพระอาจารย์ก็หยุดความคิดได้ก็ถูกมันจะหยุดมันจะหาไม่นานเท่าไหร่นั่นเอง ออืครับเหมือนเราพอพอเราไปจ้องมันมันก็ไม่ขึ้นมาอพอเราไม่จ้องมันมันก็กลับขึ้นมาหน่อยครับช่ยิ่งจ้องอย่าไปดูมันดีกว่าดูลมนีกว่าดูลมีพุทโธดีกว่าใช่ที่มันยังโผกขึ้นมาเพราะมันยังไม่สติเราเราอย่างไม่เต็มร้อยมันก็เลยยังมีโอกาสขึ้นมาได้เราต้องกลับมาตั้สติที่พุทโธที่ลมเ่อ อืครับครับพระอาจารย์แล้วอันสุดท้ายคือเวลาบางทีที่ได้ยินฟังธท ร, ร ม, มาคื อ, อ, อพ่อแม่ครูอาจารย์บางทีท่านบอกว่าต่อสู้กับกิเลสทั้งคืนขุดค้นลงไปว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยในลักษณะแบบนี้คือการที่ท่านออกจากสมาธิแล้วหรือว่าท่านนั่งหลับตาแล้วก็คิดค้นเข้าไปครับพระอาจารย์ ท่านก็ไม่ได้บอกมันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นแต่มันไม่อยู่ในสมาธิมันอยู่สมาธิไม่ทําอะไรเลยมันนิ่งอ<ม>ืคิดว่าส่วนใหญ่อตอนที่ท่านออกจากสมาธิเรากำลังใช้ปัญญาพิจารณาในในตอนที่ใช้ปัญญาพิจารณานี่เราก็ลืมตาหรือหลับตาได้ไหมครับก็เราเดินก็ต้องลืมตาแต่ถ้านั่งก็หลับตาได้แต่หลับตามันจะวนเข้ามากับ เป็นเหมือนกันนั่งสมาธิไหมครับก็ได้แหละก็ส่วนใหญ่ทั้ง้งต้องลืมตาแล้วออกจากสมาธิมันก็ต้องลืมตาอืก็คือหลักเื่นอย่างที่อาจารย์บอกคือถ้าทําสมาธิเราก็ปลับกาแล้วเราก็จะพุ่งแต่การทําสมาธิจะไม่ไม่พิจารณาเลยแต่ถ้าออกมาแล้วก็คือลืมตาแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆอพิจารณาไปเรื่อยๆ อาจารย์มีคําถามเท่านี้ครับอาจารย์โอเคขอบคุณรครับรรคมภาชนะกลับมาส ก, การ์อาจารย์ค่ะไมไหนมาคราวนี้ขอประชุมก็โอ้พระอาจารย์ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆค่ะประชุมก็ม ก, ก็ทําหน้าที่คือไม่ติดไม่ติดอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่อาจารย์เขาเชิญให้มาช่วยก็ทำได้ความรู้สึกที่รู้สึกดีมากเลยพระอาจารย์เพราะมันเหมือนกับไม่ติดไม่ยึดไม่อะไรมันเหมือนกับ เราช่วยเท่าที่เราช่วยได้ที่เขาขอให้เราช่วยอย mm ่า hmm. งค่ะอาจารย์มัน <Burger Complex> มันรู้สึกว่ามันมันรู้สึกดีดีว่ามันไม่สมัยก่อ น, นมันอาจจะจะมีนี้เหมือนกันว่าเออช่วยแล้วรู้สึกว่าเราเก่งนะเขาก็เลยขอให้เราช่วยสมัยก่อนก็คงจะมีอะอาจารย์แต่ตอนนี้รูสมม้สึกว่ามันเป็นสมมุติอ่เออทุกคนที่นั่งประชุมก็เป็นสมมุติแล้วแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการที่เราจะช่วยช่วยเด็กๆช่วยอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยค่ะอาจารย์ดีแล้วก็ค่ะ ก็รีกลับมาเพื่อจะได้มาเข้าสู่ค่ะขับรถรีบกลับมามค่ะค่ะพระอาจารย์คะก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยเพราะว่าแต่คราวที่ที่แล้วที่พระอาจารย์บอกนะคะตอนที่ที่ไปทำเรื่องของสัลยวรู้ตอนแรกเนี่ยก็คือกลับไปก็พยายามแบบเอ๊จะดูต้องดูทั้งตาทั้งสโสมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันจะเหนื่อยนะแต่ว่าพอพระอาจารย์บอกก็เลยกลับมาคิดใหม่ตั้งสติแล้วก็สัลย์ตว่ารู้ดูดูที่ใจอะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันมันดีมากกว่ากันเยอะเลยคือมันธรรมชาติแล้วก็มันก็เห็นว่าเออ คือมันเห็นว่ามันไม่ก็เพลื่มเลยมั น, ม, นมันรู้สึกดีดีฮะ ใ, ใช่ไหมครัดูถูกแล้วใช่ไหมครอาจารย์คือดู้ใจมันใจใจเราอย่าไปรักไปช้งไปไปชอบไปอะไรให้มัดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเยได้ยินเสียงก็เฉเฉยใกับเสียงเห็นรูปไปเสียงก็เฉยเฉยเราลูกไปอย่าไปกลดยความรู้ความโกรธกับสิ่งที่เรารับรู้ ก็คือมันจะไม่กิดเพื่อมถูกไหมครับพระอาจารย์เพราะว่าถ้าเราดูแล้วเราก็ดูที่ใจเราเลยว่าอ๋อโอเคมันไม่กิดเพื่อมแปลว่าเราสักแต่ว่าหลงสักแต่ว่าได้ยินไม่กิดเพื่อมเพราะถ้ามันกิดเพื่อมมันจะมีแบบมันก็จะแบบมีมีมีไฟมีอะไรอยู่เราจะเราสังเกตถ้าเกิดมันมันจะเริ่มมีปุ๊บเราก็จะสังเกตได้แต่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันนั่งนั่งสมาธิคุมไม่ตลอดตั้งตั้งแต่เช้าวันเย็นอ่ะพะอาจารย์อืมก็ได้ก็ครับเขาก็เกิดเพื่อมันมันอาจจะ ด้ยใจเราเราเฉยเฉยเนอะมีเห็นอะไรเราก็เฉยเฉยไปนิ่งนิ่งเฉยถ้าเป็นน้ําก็ไม่กับเครื่องน้ำที่ไม่กับแล้วก็ยค่อยปล่อยใช่ไหมพัดถ้าเกิดสมมติมีอะไรที่ทำให้รู้สึกก็จะไม่ดีเราจะถ้าเรารู้ว่าอ๋อ น, นี้มันมาปุ๊บเราก็ปล่อยแล้วให้ดูว่ามันยังดิ่งต่อได้อันนี้ก็คือวิธีการในการที่เราจะปล่อยแต่ละตัวแต่ละตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่เขาจะพูดยังไงต้องสันทิปติโกอ แต่เรารู้ไม่กีบเพื่อนนี่โอเคนลพระอาจารย์ก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์เพราะว่ามันรู้สึกดีมากมันสงบคือมันมันมันแค่อันนี้อันเดียวมันรู้สึกดีแล้วมันมันทําให้มีสติแล้วก็เย็นมันดูได้จากไปหลายอย่างพระอาจารย์ย่งขับรถเะไรเงี้ยเห็นชัดจริงๆขับรถเห็นชัดที่สุดเลยในในกรุงเทพนะพระอาจารย์รถติดขับรถเะไรเงี้ยมันเห็นเลยว่าเออมันสักแต่ว่าได้ค่ะขอบคุณนะว่าได้ไ่ทำดูอารมณ์อารมณ์มันแปรปวนเนี่ยค่ะ อารมณ์แปลงหมายถึงว่าไม่มีไม่มีสิ่งมากระทบหมายถึงว่าเป็นอารมณ์ของเราจริงๆคือหมายถึงว่าอย่างเช่นอยู่ดีๆก็ขดทูหรือว่าดีใจสนุกไอ้ไอ้ อ, อย่างนี้คือเรียกว่าอารมณ์ที่มันไม่มีอะไรมากระทบใช่ไหมคะอาจารย์คือตรงนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์ให้ดูแค่นั่นแหละขั้นดูมันไปแล้วก็อย่าไปหดทูกับมันฉันไม่ไม่มีหดทูเลยมีแต่ว่ารืดเลยมันมันมันอนทูก็ก็เรียว่าเป็นหดทูไป ว่าเมื่าตรงนี้มันก็เป็นใจรักเหมือนกันแล้วมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์พยายามพยายามบอกสอนตัวเองสอนสอนไปไเรื่อยๆแล้วเวลาดูอะไรก็พยายามสอนว่าสอนตรงใจอันนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมคะอาจารย์สอนให้ใจปล่อยมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากจะจัดการกันมันใจใจอันนี้สําคัญค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้ดีขึ้นค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวทําต่อโอเคกุญแจยาเน้นหน่อย ได้รับของแล้ว น, นะออนโมธนาสาธุภุสามาฝากไว้ไม่ได้เจอตัวอ่าที่จริงหนูกับสามีตั้งใจว่าจะไม่เจอพระอาจารย์อยู่แล้วเจ้าค่ะเพราะว่ากลัวพระอาจารย์จะไม่รับเจ้าค่ะอืพระอาจารย์ได้ยินกระแสจิตไหนด้วยหรอเจ้าค่ะไม่ได้ยินไม่ได้อนะไรมั้ง พระก็มาบอกว่ามีคนก็ฝากของมาให้ในหะ้ก็โอเคก็มีประโยชน์เก็บไว้เก็บไว้สาหรับเวลาใช่เกิดมีมีปัญหาก็จะได้มีตัวสำรองได้ใช่ค่ะหน่อยตั้งใจอย่างนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์จะได้ไม่ขาดตอนใช่ค <c oughs> ่จะได้ไม่ขาดตอน <c oughs> เพื่อธรรมะไม่ติดขัดเ <c oughs> จ้าคะ <c oughs> ่ะก็ดีนะดี่นี่มนุโมทนาสาธุ ตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะถวายเป็น iPad นะเจ้าคะ่ะแต่ก็คิดว่า iPad ก็คิดว่าพระอาจารย์ต้องตัดต่อแน่เลยเจ้าคะ่ะก็เลยถวายถื ก, ก็เลยใช้ w i n ด o w s ดีกว่าใช้คอมดีกว่าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะก่องอย่าเพิ่งทิ้งนะเจ้าค่ะอีกพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันทิ้งได้เจ้าคะ่ะเพราะว่ามีประกันอ่ค่ะแล้วก็ เหมือนกับว่าวินโด w s เป็นของแท้ที่แถมมานะเจ้าคะ่ะอืได้ทุกอย่างใช้งานได้ดีหมดไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะแล้วก็มีคำถามเจ้าค่ะอาจารย์ตื่นเต้นถามไม่เจอเลยพอดีหน่อยมีความสงสัยว่าถ้าหน่อยไม่สลัดรัพย์ทั้งหมดจา ไม่สามารถเข้าถึงธรรมชั้นสูงได้ใช่ไหมเจ้าคะคือทรัพย์นี่มันก็อยู่ที่ก็แล้วแต่กรณีถ้าเรายาัองก็อาศัยทรัพย์ในการเลี้ยงสรำคาญร่างกายเราอยู่แล้วก็ต้องมีไว้สำหรับเนี้งแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าอยากจะไปบวช แ, แล้วอยากจะไม่ต้องมากังวลกับเรื่องทรัพย์ก็ยกซัพย์ให้คนอื่นไปบวชเพราะเมื่อเมืบวชเป็นทระแล้วก็ไม่มีความจาเป็ น, น, จ, ะปนจะต้องใช้รับอีกต่อไป ถ้ามีซับ ม, มันก็จะเป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาอันนี้สำหรับคนที่สามารถไปบวชเป็นพระได้หรือถ้าเป็นเป็นผู้หญิงก็ไปสามารถบวชก็ไปอยู่กับวัดที่เขาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมีอาหารการกิ น, นอะไรทุกอย่างพอเหมือนกับเป็นพระ <c oughs> ก็ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีรับน <c oughs> อกจากว่าถ้ายังจำเป็นจะต้องใช้รับเพื่อรักษาร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรต่างๆก็ยังต้องมี อันนี้ก็แล้วแต่กรณีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะอย่างถ้าสมมุติว่าหนลงทุนแบบซื้อสลากไว้กินทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาใชไไ้ได้ได้ได้ไม่ก็อะไไว้ฝากเงินธนาคารในรูปแบบต่างๆนันก็เป็นการฝากต่างกันตรงที่มีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อ ย, อยนั้นเองเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าอย่างหน่อยอย่างเงี้ย อ, อยากจะถามพระอาจารย์เรื่อง คือวันโกนวันพระหน่อยกับสามีจะถือศีลห้าบริสุทธิ์โดยที่แบบว่าไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้านร่างกายแต่ว่าจับมือของแก้มมีเจ้าค่ะแต่ว่าเรื่องที่แบบว่าอ่าที่เป็นคมอาจารย์นายอยากรู้ว่ามันมีประโยชน์ไหมเจ้าค่ะมันได้บุญเยอะไหมเจ้าค่ะตรงนี้คือเรื่องการถือศีลนี่มันเป็นเครื่องมือไว้สําหรับสนับสนุนการภาวนาอะไรนะ คอมันถ้ามีศีลมันก็จะกําจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะศีลแปดเนี่ยถ้าเราถึงศีลแปดได้นเนี่ยมันจะห้ามไม่ให้เราไปทปํากิจกรรมทางกล า, าต่างๆ า, าทางตาหูงจมงกูกและกายมันก็จะทําให้เรามีเวลามาปฏิบัติธรรมมากขึ้นอันนี้ทรงามานเห็นตรงนั้นนะเช่นห้ามร่วมหลับนอนกับแฟนก็ห้อาจารยที่เาเวลาไปร่วมหับนอนกับแฟนก็เอาเวลามานั่งสมาธิแทน อาปฏิบัติทำแทนแต่ถ้าถ้ายังอยากจะร่วมลบนางออกแฟนอยู่มันก็ก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเช่นก็เช่นเดียวกั บ, บันเทิงสิ่งก็เจ็ดใกล้เรื่องบันเทิตงต่างๆถ้ายังอยากดูละครดูหนังยังอยากจะไปไปเที่ยวข้างนอกเงี้ยมันก็มันก็ทําให้ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรม เจ้าค่ะพอดีอ่าถ้าอย่างนี้อย่างที่หน่อยถือศีลทําทานที่มาก็คือเป็นการสะสมไว้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะคําทานรักษาศีลก็เป็นเครื่องเป็น เ, นเนหมือนขั้นบันไดที่จะพาเราไปสู่การภาวนาที่ง่ายขึ้นถ้าไม่ได้บมีทานไม่มีศีลจะไปภาวนามันยากเจ้าค่ะเข้าใจนะ เพาะถ้ายังถ้ายังไม่ทําทางแสดงว่ายังโง่เงินอยากนำเินไปเที่ยวไปกินไปเดินไปเล่นอยู่ไปหาควาสุขจากเงินทองแต่การใช้เงินทองอยู่มันก็จะไม่สนใจกัการที่จะไปไปปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราหลักทรัพเงินที่เราจะไปใช้เที่ยวกินเด่นใช้กับการซื้อลูกเสียงกินนอตต่างๆเนี้ไปกับการทําบุญเราก็ไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินไปไปไปซื้อของพวกนี้ มันก็ทําให้เราอมีเวลาพอเราไม่ไปเที่ยวเราไม่ได้มีเวลาปฏิบัติทำไม่ได้เจ้าค่ะแต่ถ้าเงินเรามีจาเป็นต้องเก็บไว้นเลี้ยงปากเลี้ยท่านัน้นนี้ไม่เป็นปัญหาเลยคนละเล่มกันญญคนอย่างให้สลัเงินที่เราต้องเอาไปใช้ที่เราไปไปไ ป, ไปเลี้ยงกิเลสเพียง ค, ความความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราอย่าใช้เงินเจ้าค่อง น, นี้ หนรู้สึกว่ากิเลสอ่ะมันก็ลดได้คือมันมันก็คืออย่างกระเป๋าอย่างเงี้ยไหนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะรองเท้ารองเท้าก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนที่ใจอ่อนขึ้นมาทันทีอะค่ะเจ้าค่ะหน่อยจะเป็นคนเรื่องแบบถ้าเห็นใครข้างถนนแค่ขายแบบขายตะก้าหวายขายก็ สินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทั้งทั้งที่ซื้อมาไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ก็ให้แบบอย่างราปภหน้าบ้านของกงของกินอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเยอะก็แบบต้องแจกจ่ายอะเจ้าค่ะแต่ว่าคือมีความสงสารตรงเนี้ยเจ้าค่ะหน่อยขออุบายตรงนี้หน่อยได้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าจะทํำยังไงดีเ อ, อพระพุจธเจ้าบอกว่าเวลาเราจะใช้ปัจจัยสิ่งนี้ให้พิจารณาทุกครั้งว่าเราใช้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์อะไรเช่นเสื้อผ้านี่ พระเจ้าบอกว่าเสื้อผ้านี้ ม, มีไว้สําหรับปกปิดร่างกายป้องกันภัยจากอาการหนาหนนวเย็นหรป้องกันภัยจากมารดาจัดกัดต่อยท่านเองไม่ได้ไม่ได้มีเสื้อผ้าไว้เสริมสวยคามงานของร่างกายอะไรแต่อย่างใดเพราะร่างกายนั้นไม่เจนาะน้ามันก็มันก็เป็นอสุภะดีๆนี่ ถ, ถ้า่เราพิจารณานี้เราจะเราจะได้รู้ถึงเหตุผลของการใช้เสื้อผ้าใช้ใช้เสมอ เสื้อผ้าเรียบงานก็ทําหน้าที่นี้ได้นะชุดขาวนุ่งขาวองกขาวนี่นก็เนืมันไม่จาเป็นในเล่าใสยชุดสีแฟชั่นมีอแบรนด์ลงแบรนด์ในเนี่ยต่างันนี้อันนี้เพื่อสกัดความหลงตัวนี้มันคือความชอบเออก็ไม่เข้าใจมันก็สักมันเป็นอารมณ์ไงมันเป็นมันเป็นดีไมันติดมามันเป็นกามาฉันท์ท่า ความอยากเสษความสวยงามของของร่างกายของเสื้อผ้าเห็นแล้วเห็นแล้วมันมันมันเต็มเหมือนกติญญาเสกเต็มเราได้ซื้อมาแล้วดีใจแต่บางทีซื้อมาเสร็จแล้ววันทีก็ไม่ได้ใส่เก็บไว้ใช่ใช่ค่าแต่เวลาเวลาไปซื้อมามีความสุขมากเกินห่วงได้นะแบบออืนั่งมองนั่งมองใหญ่เลย มันติดมันเหมือ น, นคนติดยาเสพติดพันนันผ่านร้านขายยาเสพติดนี่อดไม่ได้ต้องซื้อทันทีต้องต้องใจแข็งใช่ไหมคะแล้วก็พิจารณาว่าเราซื้อเราใช้เพื่อปกปิดร่างกาย อ, อ่าใช่ปกปิดร่างกายไม่ได้มาใช้เพื่อเสริมสวยความงามของร่างกายความงามของเราแ ท, ท้จริมันอยู่ที่สีมากกว่าอยู่ที่เสื้อผ้า อคนเรานี่สวยงามด้วยเสียงไม่ได้สวยงามด้วยเสื้อผ้าใช่ไหมคนที่เสื้อผ้าสวยแต่ไม่มีเสียนี่มันสวยไม่ได้ใครอยากจะคบค้าสมาคมนะก็ <c oughs> สมัยนี้ก็ความสวยงามทางร่างกายมาหลอกใช่ไหมแต่ใจที่มีแต่อยากจะหลอกปินเราเอาเงินเราใช่ไหมโดนหลอกกันเยอะแยะไปหมดลงแม่ค้าออนลงออนไลน์เอ้แต่แต่งตัวสวยงามดูรแเอว พูดถึง น, นะนี่ก็โดนหลอกหลายทีเหมือนกันนะคือแบบแต่ก็อย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือแบบก็เขาเขามันก็คงเป็นเวรกรรมของเราด้วยที่โดนหลอกแล้วก็เขาห<ค><ง>ลมันเป็นความโง <c oughs> ่ของเรามากกว่าเปนความไ <c oughs> ม่ฉลาดของเรามากกว่าไม่ใช่เวรกรรมหรอกนะมันฉลาดใครจะมาหลอกเราได้ก็ <c oughs> มันก็โดนเทบ่อยก็ เพราะความโล่งไงความโล่งเขาลืมว่าเรามีความโล่มเขาก็เลยมาเล่า้นะมใเล่าความโล่งเราแล้วเราก็กินเบ็ดได้นะเจ้าค่ะ <c oughs> ใช่ผมกินแล้วที่พอเบ็ดติดป่าอนี้ก็เก็บทรมาร์ด แ, แต่ก็ไม่เป็นไรก็บางบางทีอะถ้าถ้ามันไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเจร้าค่ะแต่ถ้าเยอะก็ ก็ต้องดูให้ดีดูร้านให้ดีเ่ะจ้ะค่ะช่วงนี้ออนไลน์โดนเยอะมากเลยออนละอย่าไปซื้อของอหไรจากคนที่เราไม่รู้จักนันก็ก็ซื้อจะลาซื้ออยู่ดี <laughs> แล้วเรื่องที่ไหนถามพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะจ้ะค่ะที่เวลาเห็นคนเดินถนนขายของถนนอะไรอย่างเงี้ยคือท้าเหมาเหมาทั้งร้านบางทีได้ไม่กี่ร้อยหรอกแต่คือ อย่างนี้คือหนอจะทํายังไงกับความใจอ่อนตรงนี้ดีเจ้าค่ะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทําบุญทาทานก็ทําไปได้คือมันแล้วก็อาไปแจกจ่ายคนที่เขายากจนก็ไดใจอ่อนแบบนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันทําเพื่อตัวเราไปแล้วันทําเพื่อเขาสงเคราะห์เขาได้อของที่เราซื้อนี่เราก็าไปทําแจากทาทานต่อนี่ก็ถ้าทํานี้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ คือถ้าทำมันไม่ได้ทำเพื่อตัวเราโอเคแต่ถ้าทำเพื่อตัวเรานี่ไม่ไม่โอเคก็ทำก็มีบ้างก็ได้ค่ะนี่แหละที่ชอบชอบว่าฮอล็กขึ้น่ในบอกพระาจารย์นะคะก็ซื้อขอต้องใช้เหตุผลซื้อว่าจำเป็นมไหมเราขาดมันหรือเปล่าถ้าไม่มีมันเราจะตายหรือเปล่าถ้าไม่มีมันเราไม่ตายแสดงว่าไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อ เจ้าขาดวิธีแกตรงทช้เหตุใช้ผลมันถึงจะแก้ได้เจ้าขาดที่จริงไหนคิดบ้างต้องต้องเอาแบบคําพูดพระอาจารย์มาแบบปักใส่หัวมากเลยเวลาแบบจําเป็นไหมจําเป็นไหมมีที่มีอยู่ใส่หมดหรื อ, อยังพร้อรืยังอะไรพอมรืยงขาดแคลนหรือเปล่าถ้าขาดแคลนก็ซื้อมาได้ถ้าไม่ขาดแคลนก็อย่าไปซื้อมา เดี๋ยวมันก็จะผุดในหัวว่าเอ้ยตัวนี้ยังไม่มีแบบนี้ยังไม่มีมนเป็นแฟชั่นใหม่อะไรยมันก็จะผุดกันใหม่อยู่างนี้เลยนะเจ้าคะ่ะกิเลมันเก่งมากเลยเจ้าคะ่ะเราต้องเชื่อพระเจ้าเราไม่ใส่เสื้อผ้าเพื่อเพื่อแฟชั่นเราใส่เสื้อผ้าเพื่อมีป้องกันร่างกายปกปิดร่างกายอืมเจ้าค่ะน้องมอามปฏิสังขารโยนิสงีีพระเจ้าสอนให้พระ ส่วนบริโภคดูแปลความหมายดูเนี่ยสี่อย่างบริโภคอาหารบริโภคที่ว่าสดยบริโภคเสื้อผ้าบริโภคยารักษาโรคเนียห็นผลว่าแล้วเราบริโภคเพื่ออะไรจกักราปฏิสังขายโยวิอโส<า>ในจดเวลาเราไปเปิดเช็คดูในก o เกิลดู ม, ด ม, ดมันจะพบไหมถ้าดึงกาแฟ เออผ้อาจารย์คะหน่อยจะถามพอาจารย์ที่มีคนถวายช็อกโกแลตผู้อาจารย์นะคะเป็นช็อกล้อร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะคือย่านโยมเข้าใจผิดนะช็อกกลร้อยเปอร์เซ็น0 0แสดงว่าไม่มีน้ำตาลเลยอไะของปีเลยบางทีห้าสิบห้าสิบกำลังดีโอเคอาจแต่แต่คนเขาคิดว่าถ้าช็อกโกแลตถ้ายิ่งสูงยิ่งดีมันไม่ใช่หรอกไม่ดีหรอก กินไม่ได้โยมไม่เคยลองกินโยมไม่ลองซื้อไอร้อยเอร์เซ็นมากินดูเลยจริงๆหน่อยินไม่ได้เจ้าค่ะในโลกนี้กินไม่ได้ น, นดั่นเลยแต่ญาติโยมไม่เข้าใจผิดว่ามันของแพงไงเโกโก้มันแพงกว่าน้ําตาลนะเจ้าค่ะค่ะถที่ยิ่งมีตัวเปอร็์สูงนี่มันยี่แพงใหญ่ญาติโยมอะไรคิดว่าเป็นของของดีแันกินไม่ได้มันดีแต่มันกินไม่ได้ เจ้าค่ะอันนี้ยากิโยมไม่ยินหมดเลยวเจ้าค่ะได้จะนั้มีโอกาสพูดสักทีไม่งั้นไม่กล้าพูดถ้าไม่มีการถามก็ไม่กล้าพูดเดยท้าวเราอยากกินก็ที่จริงไหนก็คิดอยู่นะว่าพระอาจารย์ฉันร้อยเปอร์เซ็นอุ้ยฉันยากมากเลยนะเยนาะไม่เคยฉัน <laughs> เลยไม่เคยฉันอาแค่ห้าสิบถ้าถ้าเลือกได้เราก็เลือกแค่ห้าสิบเนี่ยครับงครึ่พอ core, นะจ้าค่ะห้าสิบกำลังดี อ่จารย์ให้มันยึดร้อนหวานมากเลยพะอาจารย์เจ้าคะอย่างหน่อยถวายสังฆทานนะ่ะเป็นมีดกลอนขนนกอย่างเงี้ยคือถูกระเบียบวินัยส่งใช่ไหมเจ้าคะคือมันไม่ใช่ระเบียบวินัยนะ่ะมันเป็นเป็นเป็นเป็ น, ปนมีดกลอนที่คมมาก ท, ที่ที่ที่ทําให้เวลากลอนนี่มันกลอนได้อย่างะสะดวกรวดเร็วนี่ง่ายง่ายนะครับ อ่าถ้าใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเจ้าคะอย่างของแบบสมมุติสมัยนี้มันก็จะเป็นพวกออโต้ค่ะพวกแบบที่กรนวดออโต้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะคือมันมีปัญหาเพราะว่าผมมันยาวถ้าใช้พวกนี้มันมันจะติดเนี่ยแบบที่มันเป็นแบบที่ที่เขามาสําเร็จรูปมาที่แบบไม่น้าถอนอย่างงี้เจ้าค่ะอันนั้นมันถ้าใช้ใช้โกรนผมมันจะมันจะติดแล้วมันจะทําให้กนไม่ได้ แต่ถ้าใช้แบบไอ้ใบมีดกลนแบบรุ่นเก่าเนี่ยมันมันมันจะทําให้ผมไม่ติดเพราะว่ามันจะเวลาใช้เราจะไม่ใช้ตัวอีกตัวนึงที่เป็นตัวเหมือนกับการบาดเนี่ยไม่ไม่เอาอืมเจ้าค่ะแต่ว่าไหนก็ได้เจ้าค่ะฮะมีกลนขนกสีไหนก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะมันมีตั้งหลายสีมันมันก็น่าจะมีสีไหนก็ได้เขาที่ว่าถ้าเป็นขนนกก็ใช้ได้ แ ต, แต่แต่เนี่ยใช่อย่างเหมือนยี่ห้ออย่างก็ได้จินหลกจีนเหล็กอะไรเขาก็มีแต่รู้สึกสมัยนี้มันไม่มีขายแล้วเพราะขนนองมันมันตีตลาดไปแล้วนก็เเพราะแขนญาติโยมซื้อมาทีไรก็มีแบบว่าขนยี่ห้อขนน้องขนน่องแ ต, แต่ก็ค่ะก็คือถ้าเป็นยินเหล็กก็คือลองลองแบบว่าอีกชั้นหนึ่งจะละเอียดกว่าถูกไหมเจ้าค่ะคืะคอที่เขามี็สองชั้นเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันบาดเนี่ย อันนี่ถ้าใส่ไอ้สายตัวชั้นนี้เข้าไปแล้วมันจะทําให้ผมมันติดและทําให้ไม่สามารถโกนได้ใบมีดโกนครับผมมันผมมันจะไปไปกันใบมีดโกนให้ไ ป, ไปไปไปโกนต่อไม่ได้ต้องคอยเอาผมหออกในเวลาโกนผมพระนี่เราจะไม่ใช้ตัวกันใช้แต่ตัวใบมีดโกนอย่างเดียวไอ้ตัวใบอย่างเดียวแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าไม่ระวังมันก็บาดได้มันคมมากเจ้าค่ะใช่คมเนี่ Oh. มันก็ใช้แบบนั้นมันถึงจะมันถึงจะโกนได้ถ้าไปใช้แบบที่มีตัวอากาศเข้าไปติดด้วยมันก็จะทําทให้โกนน้ำผมมันไปติดอยู่ในกาดทําให้กกนไม่ได้อืมเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ทั้งคู่แหละเจ้าค่ะถ้ า, างั้นเดี๋ยวหน่อในประวัลนาอ่าแล้วอย่างพระนี้ใช้แชมพูไหมเจ้าค่ะคะือ <c oughs> <c oughs> มันได้จอดจ้องขาให้มันเป็นสบู่เป็นชของที่ชําระนะจะเป็นแชมพูหรืออะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นไม่ให้มีกลินก่นหอมให้มันแบบไม่มีกลิ่น่<ต>กินกินหอมนี่ถือว่ามันเป็นกิเลสเนี่ยทุกวันนี้มันมีแต่กลิ่นหอมหมดเลยนะเจ้าค่ะดังนั้นสีมัญหายากก็แล้วแต่ถ้าท่านจะเค่งไม่เค็งก็แล้วกันบางทีงท่านก็ถือแบบตันโดดยินดีตามมีตามเกิดเรียบร้อยอะไรม า, ก, าก็ใช้มันไป ถ้าเป็นกินสมุนไพรอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเป็นกินสมุนไพรเป็นยังไงก็ไม่รู้กินขิงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเช่นกินขิงอะไรเงี้ยถ้ามันกินธรรมชาติกรับคงจะโอเคมั้งอืมหน่อยจะได้พราเวลากินอาหารมันก็มีกลิ่นละกลิ่นของของธรรมชาติอยู่ใชนไหมก็กินได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็จะเป็นกินสมุนไพรได้แต่ถ้าเป็นกินน้ําหอมเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเป็นกลิ่นพวกน้ําหอมเนี่ยมันไม่ได้ เจ้าค่ะทุกวันนี้ก็มีแต่กินน้ำหอมหอมๆทางนั้นนะเจ้าค่ะก็หายากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นสบู่สมุนไพรเนี่ยพอหาได้เจ้าค่ะก็มีสบู่เด็กนะที่มันไม่ค่อยมีกลิ่นบา้าว่าถวายสบู่กใกไข่พระใช้ก็ได้เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะได้นี่ก็ไม่อยากจะพูดมากเลยจะหาออกมาม า, าสาั่งมาสอนอะไรไพู ด, ดพูดได้เลยพระอาจาร์บางทีอ่า อ่าที่ญาติโยมไม่ไม่ถามเพราะว่าบางทีคือกลัวพระอาจารย์ไม่พูดเพราะว่าบางทีไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่สอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระอาจารย์มีของจาเป็นต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยไหนก็เลยลองถามพระอาจารย์ดูจะค่ะถ้าได้ไดถามได้มึนสุดแล้วจ้ะค่ะไหนเนี่ยดื้อสุดมึนสุดแล้วก็ <laughs> okay. พอจะเข้าใจด้วยหลักก็คือ ให้มันเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้มันเสริมเสริมเรื่องความสวยงา ม, มเรื่องของขอ ง, ของกลิ่นหอมนอะไรต่าๆนี้ไม่ให้เสริมทางกลางทางรูปเสียงกลิ่นลดจะค่ะก็เป็นกลิ่นสมุนไพรเน้นสมุนไพรไปแล้วกันเนาะถ้างั้นก็แลังแต่หาได้ก็ถอยไปก็แล้วถ้ามันยุ่งยากแล้วก็อย่าอ่ไปทายมันมากเลยจะหาว่าภาพชู้จีจุขจิกอีกไม่ พระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเจ้าค่ะคือถ้าเราทําบุญด้วยความปาณนิดไหนไหนมีความรู้สึกนะเจ้าค่ะว่าถ้าเราทําบุญด้วยความปานนิดเราจะได้สิ่งที่เราต้องการอย่างถ้าหน่อยต้องการอ่าสมาธิมันเหมือนมันก็ได้อะเจ้าค่ะใช่มันก็พอมันเป็นปัญญาเลยมันเป็นสติปัญญาเลยการที่จะทำกองปานนิเนี่ยนะเราใช้สติใช้ปัญญาเจ้าค่ะเจ้าค่ะอืไม่มี ถามอะไรแล้วจ้ะคะโอเคนะสาวุนะค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนตอคุณแนนจากอุดอธานีกลาวอำพากรคอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะโอเคนไปที่คุญมลวรพันธ์ปาะชานี้มาแล้วนะคณะสันปกรภาคหกครับการนักการงอาจารย์มารถตู้สาคันโอ้โครับผมเป็นรุ่นพี่โรงเรียนครัอาจารย์ครับ ก็ฟังธรรมะอาจารย์ตลอดแล้วตายแล้วจ้ะถ้าเขาได้นำตัวครับอาจารย์ครับวันนี้ผมเจอคนไข้คนหนึ่งแล้วเขาพูดว่าอชีวิตเขาเนี่ยมีแต่ปัญหาทุกไปหมดเลยอย่าเงี้ยครับอาจารย์ผมก็เลยผมก็เลยนึกไปถึงคําพูดอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่บอกว่าอย่างมากก็แค่ตายแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวเรามันคือความคิดที่เขาคิดไปว่าเขาเจอปัญหาเขาก็เลยเจอปัญหาใช่ไหมครับอาจารย์ ถ้าเราคิดว่าอะไรมันก็มีปัญหาเพราสุดท้ายก็แค่ตายตัวเรามันก็จะเบาไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่คือส่วนนของปัญหาก็คือความอยากของเรานะที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเราไม่อยากมันไม่มีอะไรเกิดปัญหาครับผมมันมหนาวอยากให้มันเย็นมันหนาวอยากให้มันร้อนมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาครับแต่ถ้าเรามีสันโดษล้วมันหาก็อยู่มันมันหาก็อยู่มันไปมันร้อนก็อยู่มัไปมันก็ไม่มีปัญหา แสดงว่าใจเขาในกิเลสเยอะ ม, มีปัญหาเยอะปัญหาเ ป, เป็นเป็นผลที่เกิดจากกิเลสของของเราเนี่ยเองผมก็เลยผมก็เลยได้ได้นึกถึงคําพูดอาจารย์บดีนะครับแล้วผมก็เอออย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ปัญหามันก็หมดไปเลยครับถ้าเรายอมตามแล้วปัญหามันก็ไม่ค่อยมีนะถ้าเรายอมตามแล้วก็อยู่กับตามอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับความเป็นจริงไป ความเป็นจริงมันเป็นมาเป็นยังไงมันก็นับมันไปมันน้อยก็อยู่กับมันไปมันหนาวก็อยู่มันไปมันอดอยาขาดแคลนบ้างก็อยู่มันไปแต่ปัญญาอย่างนี้มันจะมาเป็นทีทีครับอาจารย์มันได้อยู่ตลอดคมองมันตั้งทพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยเร่อยๆอนันตาเราอยู่ในโลกที่มันเป็นอนันตาเราไปสั่งมันไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าตัวเราเป็นความคิดใช่ไหมครับอาจารย์คิด คือเราก็คือความคิดของเราใช่ไหะครับคือเราเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็ น, Concept, ม, น, ปนมันเป็นความคิดที่ที่เราปรุงแต่ขึ้นมาว่าเราเป็นเราอะไรนี้แต่ควจริงไอ้ตัวมันเป็นเพียแต่ความคิดถ้าเราหยุดคิดเมืไหนไอ้ความรู้สึกว่าเรานี่มันก็จะหายไปผเข้าใจนะครับอาจารย์ครับอืม แล้วเหลือแต่ตัวจริงตัวจริงก็คือตัวรู้เวลาหยุดความคิดจิตมันมีสองตัวตัวคิดกับตัวรู้ตัวคิดมันกลอกมันมันคิดมันคิดด้วยโมหะวิชาที่เรามีตัวตนแล้วก็ยึดกับยึดติดกับความคิดนั้นเหมือนสมัยก่อนคนโบราณเันยึดติดกับโลกที่มันแบนมันก็คิดว่ามันแบนนั่นแหละมันก็เป็นความคิดใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่แบนก็ไม่แบนมันไม่เกี่ยวกัน สมัยก่อนคนเราชอบคิดอะไรผิดๆแม้เมื่อก่อนเขนคิดว่าโลกนี้เป็นศูนการของของจักรวาลทุกดาวทุกดวงนี้หมุนรอบโลกใช่ไหมือนก็โลกนี้เป็นจุดศูนย์กลางแต่นักวิทยาศาสตร์มันก็มาพิสูจน์แล้วว่าโลกก็เป็นเพียงแต่ดาวดวงหนึ่งที่โครจรรอบดวงอาทิตย์อีกที่หนึ่งความคิดกับความจริงมันไม่ตรงกัน พระเจาก็เหมือนการพระเจ้าก็มามันเจอว่าไอ้คำว่าตัวเราของเราเนี่มันเป็นความคิดเป็นวิธีของมันไม่ใช่โดยความจริงความจริงก็คือแต่ไม่แต่ตัวรู้กับตัวคิดวันนี้วันนี้วันนี้ได้ย้อนในคำพูดพระจ่าแล้วก็ก็เลยเออจริงๆแล้วตัวเรามันเป็นความคิดแล้วถ้าเราคิดเปนในทางก็เป็นย้อนตายมันก็จบถ้าเมื่ไหรไม่คิดมันก็ไม่มีตัวเราอาจารย์สอน เราคิดเพราะว่าความจริงก็คือร่างการนต้องตายเรายอมรับความตายแล้วมันก็ไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรมากไม่สบายรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยรักษาไม่ได้ก็รักษาไม่ได้รักษาได้ก็ตายรักษาไม่ได้ก็ตายนี่ตาจะทําให้เรื่องเวลาออกไปหน่อยนะนี่ถ้ารักษาได้ก็อยู่ได้านหอถ้ารักษาไม่ได้ก็ไปเร็วหน่อยแต่ก็ไปเหมือนกัน วันนี้ได้คนไข้เป็นครูอาจารย์ครับนี่โอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมอมอาระจันการศกดิครับเชิญกุไอโฟนต่อคไอโฟนอยู่ที่ไหน <c oughs> ชื่ออะไรได้ยินไหมคุณไอโฟนผู้ดดเลยกรรมธรรมักการก็ค่ะ <c oughs> อยู่ที่ไหน หนูเพิ่งเข้ามานะคะอยู่<อ>จังหวัดอยู่จังหวัดอะไรนะยังขาดใจหายอยู่จังหวัดระยองค่ะจังหวัดระยองมีอะไรไหมอยากเข้ามากับพระอาจารย์นานละค่ะ<อ>เพิ่งปฏิธรรมแล้วก็ฟังจากที่พระอาจารย์สอนนะคะก็รู้สึกดีค่ะ ก็ไม่มีคําถามค่ะจะตั้งใจปฏิบัติต่อไปอค่ะยินดีต้านหน้าฝากได้ทุกเวลานะทุกครั้งได้ยมเข้ามาถ้ามีคําถามก็ถามได้ไม่มีโอเ ค, อเคยังไงที่ท่านต่อไปคุณแอฟแอฟอยู่ที่ไหนกับรัมการครับผมกับรัมการครับอาจารย์อือยู่ที่ไหนนี อยู่เชียงใหม่ถ้าอาจารย์ต้องขออภัยด้วยนั้ต้องถามบ่อยนะครับรจำแล้วก็ได้ไม่เป็นไรครับอาจารย์มีคำถามอะไรมีอะไรไหมครับมีคําถามนิดหน่อยครับอาจารย์ตอนอคือการปฏิบัติก็ปฏิบัติตอนหลังคือปฏิบัติมากขึ้นครับก็เป็นเช้าบ่ายก่อนนอนแต่อแล้วก็ ได้ทำทานทุกเช้ารักษาสิ่งเป็นปกติแล้วก็ปฏิบัตินะครับอาจารย์แต่วันนั้นมีวันหนึง่งเหตุการณ์ที่ว่าพอดีแฟนเขาได้ออกไปเที่ยวแล้วเขาก็ผิดผิดผิดเวลาผิดเวลาปึ๊บผมรู้สึกได้ว่าโอ้โหการฝึกที่ผมฝึกมาครับมันมันมันมันวาเสยไม่ได้อาจารย์ครับแค่เรามีความอยากเฮ้ยทำไมเ็ายังไม่กลับบ้านทันที ทั้งๆ ท, ที่ว่ามันเปนนน็นมันมันมันสู้ในทาไอ้มันมันสู้ในตัวเราไม่ได้ครับอาจารย์เพราะอุเ บ, <อ> ก, บกขาเราอเบกขาเรามีน้อยเรามีปัญญาแต่เราไม่มีอุเบกขารเราฝึกสมาธินั่งสมาธิให้หจิตสงบ ม, มากๆนานๆแล้วต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราเกิดมีความอยาก เราก็จะใช้ใบขาหนี้อยู่มันได้ครับอาจารย์ผมผมผมก็เข้าใจเพราะผมฟังคาของอาจารย์บ่อยกับทุกวันนะครับอาจารย์คือเป็นทุกวันเลยครับเป็นเป็นทุกวันทวันใช่ไม่ได้น้ำคัดแต่บบวันยังวางเฉยวเวลาเจออันนี้คือปกติบอกวางเฉยได้แต่เราเจอในในสภาวะจริงจริงพอเจอข้อสอบจริงๆสอบตกสอบตกครับอาจารย์เ ว, <laughs> เวลาเวาการบ้างเขายทําทําได้ทําใจได้เขาจะทำอะไรก็ได้ปล่อยเข้าไปวางได้ครับ คือก็ฝึกอ่าบางวันที่ฝึกอยู่มันก็มีสงบบ้างไม่สงบบ้างเนาะอาจารย์พอได้บ้างไม่ได้บ้างครับแต่วันนั้นสักไม่กี่วันที่ผ่านมาเจอสภาวะจริงเอาไม่อยู่โอ้โหครับอาจารย์ยัยมันเรารู้ไงว่าจิตเรานี่ยังขาดเบรคขาดยังทำยังนิดน้อยยังยังยังยังห่างไกลครับอาจารย์ยังนิ่งเฉยไม่ได้ครับพอา เพราะคือยิ่งบาปฏิบัติขึ้นผมก็ได้ได้ได้ไดเห็นผ้าจารงเนาะบางทีผ้าจารย์ได้ออกมีอายุก็มีอายุมากแล้วเจ็ดสิบห้าจา์ก็ยังฟิตอยู่เลยครับถ้าเป็นภาษาหนุ่มๆก็ถือว่าจาย์ฟิตมากผมก็เห็นผ้าจารย์แล้วก็คือมีความอ่าเราก็ฟิตขึ้นมาครับคือมัมานอาสัยทาทุกวันไงมันปฏิบัติมาเป็นจนเป็นนิสัยทุกวันมันก็เลย มันก็เลยสามารถรักษาสภาพร่างกายจิตใจให้มันมันอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ถ้าหยุดมันเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มเสื่อมอย่ารวดเร็วเหมือนรถยนต์เนยถ้าเราใช้มันต้องวางระฆังแข้าวางไถ้าไปจอดทิ้งไว้ถ้าพ้าวเร็วทับใต้กนไม่ติดนะครับพอาจารย์ครับมีคําถามแค่นี้ครับอาจารย์ครับผมโอเคพยายามฝึกไปเรื่อยๆทาให้เป็นนิสัยนะ มันจะคล่องแคล่วว่องไวอแล้วเจอปัญหามันก็จะได้แก้ได้อย่างรวดเร็วได้ครับอาจารย์ครับน้อมนําไปปฏิบัติครับอาจารย์ฝึกสติสมาธิให้มากถึงส่วนใหญ่เราพวกเราขาดสติสมาธิกันปัญญาเราได้ยินให้ความยันหูฉีกหน่ใช่ไหมนี่ก็อยากเป็นน้าที่จันทุกหน้าทุกตาครับครับครับคือคือคือทําใจไม่ได้ถ้าเจอปแบบ ยังไปปัดถือว่ายังยังน้อยครับผมก็ว่าผมไปคือมันก็ไม่ได้เยอะมากยังเชา้าผมไปส่งลูกก็สี่สิบอชั่วโมงกลางวันก็บ่ายโมของพ่อจารย์ถ้าเป็นวันที่เป็นวันพักหรือเสาร์อาทิตย์ผมก็ยัล่าถึงสี่โมเลยแล้วก็มีกอด น, นอนกับทุกคืนครับเป็นประจำพยายามนั่งสมาธิเยอะๆสักสิเยอะๆนะครับครับตอนเวลาตอนเอนชา้าหรือกลางวันตอน ฟังพระอาจารย์ช่วงบ่ายผมก็คืออยู่ในในค่าสมาธิครับพระอาจารย์แล้วก่อนนอนกับพระอาจารย์ครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรกับมาตรการครับอาจารย์มาตการครับผมอถึงอาจารย์สายที่ขอนแกนนนิเชียงไหวนี่นือาจารย์กล่าวน้ัวสการพระอาจารย์ก็ค่ะอยู่ขันแก่นค่ะเวนกลับบ้านเป็นวันวันพุธค่ะพระอาจารย์วันพุธได้ สลับกันกับพี่สาวค่ะ uh, ค่ะก็มีมีคําถามนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์เรื่องของอสุภกรรมฐานค่ะถ้าถ้าเราไม่ได้มองเป็นเป็นกระดูกเป็นอะไรพวกนี้แต่ว่าเรามองเห็นเป็นแบบตรงนี้ก็อ่าคนนี้อ่าปากไม่สวยคนนี้จมูกไม่สวยผิวหนังไม่สวยอะไรเงี้ยได้ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเราเห็น mm hmm. แล้วเราก็มองเป็นจุดจุดว่าคนนี้ตรงนี้ไม่สวยไม่สวย ได้ไหมคะก็ไม่ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้จะตอบยังไงเลยไปดูของที่มันไม่สวยจริงๆดีกว่าพจมูกอะไรมันอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าบางคนชอบชอบจมูกเบี้ยวมันก็ว่าสวยได้มนคนชอบจมูกแบนก็ว่าสวยได้อืไปมองที่ไปมองที่ลําไส้ก็ดีกว่าสวยไมมนําไส้ก็ปล่อยก็ตับไตมันสวยมัมเอาเปนของชั่วร์ดีกว่า เอาข้างในเลยใช่ไหมคะใช่ดูข้างในเลยตอนแรกเหมือนแบบเอ๊ะเรามองเห็นจุดนี้คนนี้ก็ไม่ไดีอย่นี้ได้ของเราด้วยเราจะได้เราจะได้รู้ว่าเราความจริงแล้วก็ไม่สวยหรอกค่ะอืมค่ะเนี่พายถ้าเราถ้าเราสามารถลอกเอาเอาเหน้าเราออกได้ผิวหน้าเราออกได้ก็เห็นตลกศีรษะอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะ ก็เมื่อเช้าไปวิ่งหน่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็เลยมองคนข้างนอกมองคนที่เขาเอ่อวิ่งวิ่งด้วยอยู่ข้างหน้าเราค่ะแล้วก็เอาหนังเขาออกค่ะพระอาจารย์แอบแอบเอาหนังเขาออกแล้วก็ให้มองเป็นกล้ามพลแบบเหมือนกระดูกวิ่งไปวิ่งมามเป็นมีเนื้อด้วยแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่มีหนังค่ะวิ่งไปก็มองมองมองแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะ ยังมองยังมอย่ามองแต่เขามองเราด้วยก็เช่ากันอ่าทั้งเขานั้งเราเราจะหลง่าเห็นคนอื่นวเขาไม่สวยแต่เรายังสวยคนเดียวอย่างนั้นอ่าค่ะของเรานานๆนั่งสมาธิถ้านั่งนานๆหน่อยค่อยจะเห็นโครงกระดูกข้างในค่ะพระอาจารย์แต่ต้องใส่คนอื่นก็ต้องย้อนกลับมาลองตัวเราด้วยมันจะได้ไม่หลงค่ะพิจารณากายทั้งทั้งทั้งกายของคนอื่นทั้งกายของเรา เหมือนกันหมดตอนเวลาได้เห็นเราทุกคนเหมือนกันหมดมีอาการสามีสองเหมือนกันหมดไม่มีความแตกต่างอะไรค่ะจริงๆวังวงของเราก็ของเขาก็เหมือนๆกันใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนกันทุกอย่างอาการสามีสองผมขนเล็ดฟันนี่เหมือนกันทุกคนอืมค่ะก็เราไม่สวยเขาไม่สวยก็แต่จริงๆก็คือไม่มีใครสวยนะไม่มีใครสวยร่างกายไม่สวยค่ะ เหมือนถ้ามองทุกคนเป็นแตะมองเพื่อให้ให้ให้ให้ไม่หลงใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มองให้ส่วนประกอบของร่างกายที่สองอาการค่ะส่วนถ้ามองเห็นเป็นธาตุนี่ก็เป็นพิจารณาตัวเองมากกว่าไม่มีตัวตนการมองท่านแสดงว่ า, าดูแบบไม่ไ ม, ไม่ให้เห็นว่าไม่มีตัวตนในร่างกายไม่มีเราอยู่ในร่างกายร่างกายนี่มันมีแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเทานั้นเอค่ะ ก็ใช้ประกอบกันไปได้เลยใช่ไหมคะผู้อาวุโสครัเพราะว่าเราความนองเรามันมีหลายรูปแบบบางทีเราก็เห็นร่างกายมันเป็นตัวเรามีตัวมีตนแล้วก็ต้องดูว่าไม่มีมันแค่ดินน้ําลงไปเร่างมันตายไปมันหายไปไหนอ่ะตัวตนหายไปไหนหมดตัวตนนั้นเป็นแต่ความคิดถึงจิตเนี่ยจิตไปจิตไปไปติดป้ายไว้ที่ร่างกายนี้นเป็นตัวเราของเราค่ะ มแม้แต่ตัวจิตเ่งก็ไม่มีเรามันเพียงแต่ไปเอาความคิดไปปะไว้ที่ร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเอาความคิดไปปะไว้ที่ใจว่าเป็นตัวเราของเราเหมือนเราให้ชื่อให้ความหมายมันไปใช่ไหมคะใช่ให้ความหมายมันก็เลยมีขึ้นมามค่ะแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่ไคิ ด, ดว่าอ<ห>ันนี้เป็นอะมันก็ไม่มีอะไรมันก็เ่ยือนน้ำนมใส อาการการดูดซึมก็เหมือนมาประกอบกันแล้วก็จากกันไป ม, มารวมตัวกันรวมกันแล้วก็หายไปแล้วถึงเวลาไม่ยากตอกคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปค่ะตอนตอนนี้ก็ก็พยายามพยายามคิดอย่างนี้อยู่ค่ะพระอาจารย์ให้คิดถึงคนในครอบครัวด้วยค่ะพระอาจารย์<ม>เผื่อใจเผื่อจะได้ปลางใจในตอนพัดพรากอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ว่าทุกคนก็เหมือน อะไร <คน S 1> ที่มาัาต่อกั น, กนแล้วก็ไปเหมือนไอติมอะร่างกายเหมือนไอติมเดี๋ยวมันก็ละลายค่ะจริงๆก็ไม่มีเหมือนจริงๆก็ตอนได้คิดถึงตัวเองได้ค่ะพระอาจารย์ว่าเราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็มาจะเอานู่นเอานี่อะไรเงี้ยค่ะไปถึงว่าเราก็ทุกคนเหมือนสมบัติผัดกันชมอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มองเห็นว่าเอ้ยสมบัติผัดกันชมเห็นคนนี้ที่แบบรวยๆตายไปก็ทิ้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคนอื่นก็มาเอา แล้วก็ทิ้งต่ออะไรยเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เห็นแล้วแล้วก็อืนั่นก็เป็นธรรมดาตอนนี้แบบพยายามมองมองเห็นแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์เวลาดูข่าวดูอะไรก็เห็นคนที่เขาตายไปร่ํำรวยก็เออเนาะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ของเราก็เหมือนกันค่ะทุกคนกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนต้องพลิกข้ามตาย ไ, ไม่ได้ อเอาอะไรไปไม่ได้มาตัวเปล่าเปล่าแล้วก็ไปตัวปกเราค่ะจินง่ายกินมากินมาได้นานกายแล้วก็ใช้ร่างกายหาอะไรเยอะแยะไปหมดพอร่างกายตายก็ก็ต้องทิ้งหมดค่ะแต่ตัวปัญหาต่อมาก็คือตัวจิตว่าเราเรต้อ ง, องทิ้งยั ง, ง, อยงอยางได้ของอยู่ทิ้งหมดแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ไปหาร่างกายใปม่มาหาใหม่ อา น, นกี่เราก็ไม่เหบื่อแท้เองไม่เหนื่อย <c oughs> แท้เอค่ะ <c oughs> แต่แต่จิตนี่มันก็เหมือนมีอ่าจิตที่มันจิตที่มันประพัดสอนกับจิตที่มันมีกิเลสนี่มันก็ตัวที่เราคิดว่าเรามีจิตก็คือกิเลสเกาะใช่ไหมคะพระอาจารย์กิเลสทําให้เราคิดว่าเรามีหรือหรือยังไงคะพระอาจารย์นั่นแหละไอ้ตัวกิเลสเป็นตัวสร้างตัว ต, วตนขึ้นมา ออืก็ค่อยๆก็อย่างาที่เมื่อกี้อธิบายคุณบอกว่าฟังว่าเราไปคิดว่าโลกมันแบนความจริงโลกมันแบนหรือเปล่าอืมอ่า<ม><ม>นเี่ยเราไปคิดว่าร่างกายเป็นเราแล้วมันเป็นเราจริงหรือเปล่าไม่นะแบบมันตายไปเนอหายไปไหนก็จริงจริงมันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะเรือรืออาจารย์เราลองแยกส่วนเช่นส่วนร่างกายออกมาทั้งสามสิบสองส่วนเลย แล้วดูแล้วตรงไหนเป็นดาวมั้ไม่ไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์แยกออกเป็นชิ้นๆก็ไม่ไม่เหลือแล้วผมเป็นเล้าบบบคนเป็นเล้าแบบเนฟเป็นเล้าแบบฟันเป็นเล้าแบบไม่มอ่ะไม่มีเราไม่เหมาอ้อมมันไปตัเหมือนกับคนโบราณตัว่าโลกนี้มันแบนอย่าี้ค่ะเหมือนเราใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันมีแค่อาการสาดที่สองที่ทำมาจากดินน้าลงไป ทาตสี่ เ, เดี๋ยวเวลาถึงเวลามันมันก็ยากยากกลับคืนสู่ธาตุสี่ไปก็คือต้องทำใจให้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับมันให้ได้ทุกๆครั้งใช่ตรงวิเคราะห์มันจะก็น่าเห็นชัดเจนเราไม่เห็นไม่มีตัวตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายเราเป็นอะไรไปตัวมัน ตัวคิดเป็นตัวความคิดที่ถูกปิีเร็ดเราให้คิดว่ามันเป็นตัวเราของหลังนั่นเองค่ะก็คือถ้าถ้าคนที่เห็นหมายถึงว่าเห็นจริงๆใจบันยอมรับจริงๆก็จะเห็นตลอดนะคะพระอาจารย์แต่อย่างของเรานี่มันก็จะเป็นแบบคิดได้เป็นบางบางครั้งก็ต้องคิดบ่อยๆไงพิจารณาอยู่เนืองๆคุณสอนพิจารณาปัญญามันจะเป็นปัญญาเราต่เมื่อเราพิจารณาอย่างต่อเนื่อง อถ้าเราพิจารณาแล้วหยุดมันก็าการเป็นสัญญาเป็นการเป็นความจำไปเดี๋ยวก็ลืมนั่งพิจารณาแบบไม่ให้มันลืมการเจริญปัญญาเป็นถึงยากตรงเนี้การพิจารณาเพืให้มันลือสุภะก็พิจารณาได้แค่สองสามวินาที ห, หยุดนะลืมนะลมายร่างกายที่เราสวยงามหล่อเหลาขึ้นใหมนะ่าค่ะใช่ค่ะตละะอกเวลาเลยตลอดเวลาเลยค่ะวันก็เห็น แล้วก็หลงไปเออเราก็เห็นอยู่นะแต่ว่าเห็นไม่ถาวรเอออย่างน <c oughs> ี้เขาเรียกว่าสัญญาเรียกว่าสัญญาจำหน้าแล้วก็ลืมนะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็การลืมก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเหมือนเหมือนอย่ตอนที่เราเจริญสติแล้วต้างเจริญสติอยู่เรื่อยๆต่อมาเวลาเจริญปัญญาแล้วต้องเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันดลงไม่ให้มันมึนค่ะ เราไม่ลืมแลวทีนี้กิเลสก็จะมาหลอกเราไม่ได้หลอกว่าร่างกายเป็นตัวเราเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราอล่ายวางได้ยอมให้มันตายได้เราไม่เราได้ตายไปกัร่างกายมันกลัวอะไรออืนั่นลราก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายไม่ได้ถึงเวลามันจะตายมันไม่ต้องตายออืพิจารณาเรื่อยๆให้มันไม่ให้มันหลงมันหลุดไป เวลาเลยยกแม่เวลาเข้าสมาธิเวลาเดียวนะั่นที่ไม่ให้พิจนะารณาเวลาเข้าสมาธิให้พักจิตให้พักผอนให้จิตนิ่งเติมน้ํามันชาร์จแบตเตอรี่ค่ะอจะพอชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแต่น้ำมันเสร็จ ก, รก็วิ่งไปเลย น, นี่ขับรถไปเลยใช้มือถือไปเลยพิาาาาพจารณาทางปัญญาไปเลยอค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ยายนะ เข้าใจแล้วค่ะสาทุค่ ะ, okay. ะคูนิงคนิงเชิญพัทยาอยพัทยาคนิงเป็นครูเหรอครูคูนิงสอนอะไรได้ <Okay. S 2> ยินให้คนิงเปิดไลน์ได้ยังหายไปเลยอยู่ข้างล่างกัไปใช่ไหมอยู่ว่างได้เลยครับ อ่ไม่ยินนะครูดนอ่าเป็นครูแลยครูครูสออะไรอ่าสอนสอนภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็สอนภาษาไทยฝรั่งค่ะพระอาจารย์ในโรงเรียนเนี้เนี้ยเป็นเดลเตอร์เป็นทนอิเตอร์เดอสอนสถาบันแล้วก็เคยจ่าทำงานราชการมาค่ะพระอาจารย์อ๋แต่ตอน น, นี้ไม่ได้สอนนะไดงไหม ตอนนี้ก็ก็ก็สอนติวเตอร์บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาทำธุรกิจค่ะพอาจารย์<ม>ค่ะก็คือมาทำด้านอสังหาดรือมาซับด้วยอะคะ่ะเพราะว่าํามีทำก่อสร้าง<ม> <c oughs> ก็เจอวิกฤตตอนช่วงโควิดเนี่ยหนักพอสมควรนะคะ<ม>พระอาจารย์ทุก อ, อย่างหยุดหมดนะทุก อ, อย่างหยุดหมดคะ่ะแล้วก็ ก็โดนไปเยอะเพราะว่ามีคนงานแ ต, แต่นี่ไม่หยุดนะดอกเบี้ยไม่หยุดอ่าพระอาจารย์โดนผัก <c oughs> มากสักคน <c oughs> แต่ก็ดีดีใจที่ได้ได้ที่ได้เจอธรรมะค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบเออเหมือนกับว่าทําใจได้แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่มันแน่นอน <c oughs> โดยเฉพาะที่มาเจอเมื่อวานนี้ หมาก็ก็ได้ตายไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ดีอ่ะเสียอย่างเสียเข้าไปแต่เขาก็ได้หมดทุกหมดสุไปหมดทรมานไปค่ะพระอาจารย์คือคือได้เห็นได้เห็นหลายอย่างเลยจากจากเขาอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้ฟังหลายๆคนที่ที่ได้ถามพระอาจารย์มาทั้งหมดเลยแล้วก็เลยเข้าใจว่าเออมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจริงๆ แต่มันจะไปแบบไหนยังไงมันก็ต้องไปอยู่ดีอะค่ะพระอาจารย์ใช่ช้าเร็วต่างกันใช่ค่ะเวลาไปช้าเร็วไปแบบไหนเท่านั้นแต่ต้องไปทุกคนต้องไปทุกคนจริงๆค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเอาเราไม่ได้คิดว่าเขาอยู่ๆเขาจะไปจะไปแบบนี้ก็เพิ่งแบบเออจับกันอยู่ย ก, ย, กยก็แล้วมันเหมือนแบบว่าไม่มีอะไรที่จะต้องไปจา้างเพราะว่าเขายังตะเกียกตะกายพอที่จะ ขยับออกจากกองขี่กองเยี่ยวของเขาอยู่ค่ะขอโทษค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เราก็เลยคิดว่มมาอ้อยังแข็งแรงอยู่เลยยังมีอยู่ใต้ท้องรถได้แล้วเราก็ดึงออกมามันเห็นเหมือนกับว่าหนังหนังหนังเขาที่เริ่มเปื่อยอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นแผลปวดทับด้วยเราดึงออกมาจะพูดกับเขาทุกครั้งว่าอดทนเราหน่อยนะแปบบ๊เดียวคือเพราะว่าจะพิกพิชพิกเขาบ่อยอะค่ะพระอาจารย์เพราะาเขาเป็นนักมารค่าใช่ไหยคะ เรื่องแง่งแล้วหินกระดูแล้วทำให้พิจนารณาหินตั้งแต่เขาสวยงาม อ, อ๋อผลท้ายสุดมามันก็แค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังติดติดมือกลับมาก็ไม่ได้รู้สึกว่า อ, อ่รังเกียจหรืออะไรนะคะพ่้อาารย์แต่ก็ทำให้แบบว่าเราเราเห็นว่า อ, อ๋อ มันไม่ได้มีอะไรที่ที่แน่นอนจริงๆเลยมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปยึดแต่ถามว่าณนตอนนั้นจิตใจก็เว็บเว็บไปเหมือนกันค่ะพระอาจารย์แต่ว่านั่งคิดดูแล้วก็คิดถึงคำที่พระอาจารย์ได้ไปฟังธรรมะที่วัดบ่อยๆก็เลยแบบดึงใจกลับคืนมาได้ ไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งเสียใจอะไรแล้วเลยแ้า ท, ทาดีที่สุดแล้วอค่ะพรอาจารย์ใช่ถ้าห้ามไม่ได้การเกิดการตายนี่ห้ามไม่ได้เกิดแล้วมันต้องตายค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูรู้เลยว่ า, าหมาคงเป็นตัวสุดท้ายที่ที่จะไม่เอาแล้วแล้วเขาสอนหนูได้เยอะมาก ก็เหมือนที่เคยบอกพระอาจารย์ยก็อย่าลืมเมื่อกันเดี๋ยวไปเจอหมาน้ารักคุตัวใหม่ก็เดี๋ยวอดอยากยันได้มาไม่ได้ไม่เอาจริงๆค่ะพระอาจารย์นุ่งขอบคุณเขานะคะจริ ง, รงๆแหละลลก็เลยเห็นญาญ ย, ายามาล้อมให้เสียหมาไปอีกเดือนอไม่กี่เดือนเอาได้ตัวใหม่มาคือคนมากเนี่ยอออเคนอื่นจะเอามาให้อะค่ะพระอาจารย์แล้วเป็นคนใจอ่อนแล้วก็อ้าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือน ก็เหมือนกันแ<ห> <ขอ S 1> ล้วก็มคีคนคนขา้ายามาให้จะร่ำไหมครา น, นี้ไม่แล้วค่ะพระอาจารย์ เ, เยพอแล้วนะนะเข็ดนนะะนเข็ดมากเลยแล้วแล้วแบบว่าเขาเป็นตัวสุดท้ายที่สอนหนูจะได้เยอะมากไม่เหมือนตัวดือื่นเลยค่ะพระอาจารย์ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เหมือนกับสอนสามีด้วยเพราะว่าก่อนที่เขาจะตายเขาลง้งแบบล้มล้มทั้งเกือบทั้งคืนนะคะพระอาจารย์แล้วทีนี้เขากลับมาจากกรุงเทพ แกวิ่งขึ้นวิ่งลงลงไปด่ามาให้ให้เงียบอะค่ะพระอาจารย์ hmm. เขาเรียกร้องให้ให้ไปดูเขามั่งเหมือนเขาคิดถึงก mm ัน hmm. หนูรู้ว่าเออหมาล่ะรักเข้ามากแล้วเขาก็รักแต่ผลท้ายสุดเขาก็ไม่อยากจับเพราะว่าเขาเห็นแบบนี้เขาบอกว่าเอ้านิ้งจะต้องทําแบบไหนจะต้องทําอะไรเราก็เลยโอ้ขนาดรักมากอุ้ยรูปหัวมันอย่างนู้นอย่างนี้ก็พอเห็นเขาไม่สวยไม่อะไรแล้วยังไม่อยากจับเขาเลย แล้วก็ลงมาตาวาดด่าเขาด้วยหนูก็เลยแบบมองดูว่าเอ่อเขาจะทําอะไรต่อไปเหมือนเขาหงุดหงิดมากก็เลยถามว่าอยากจะเอามาอีกไหมเขาก็เลยเงียบแล้วคิดไหมว่าขนาดมาแค่วันสองวันเนี่ยตัวเองวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วคนที่อยู่ด้วยละ่ะทั้งวันทั้งยี่สิบี่ชั่วโมงทั้งหลายเดือนเนี่ยเออไม่ได้หลับไม่นอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็เลยเงียบ จากเขาที่บอกว่าเอ้ยถ้าไอนี่มาฉันจะไปหามาหมาตัวนี้ก็วีดีโอคอเห็นไหมเนี่ยมันเดินตามตูดฉันเลยบอกว่าไม่ต้องเอามาเลยนะเขาเขาก็เงียบเลยค่ะตอนนี้เขโทรมาเขาบอกว่าเออนิ้งเธอทําไอ้นูน่นไอ้นี่มันไม่ต้องมาถามว่าให้ทาอะไรตอนที่เขาอยู่อ่ะคือทําอะไรให้เขานุกมันก็เลยสอนให้หนูว่าอ๋อถ้าเรามีชีวิตอยู่เนี่ย ก็คือเราทําดีต่อกันเหรอเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจที่ที่จะเป็นแบบนี้ขนาดเรามานั่งคิดเออน่าจะทําดีกว่ากับเขาให้ดีกว่านี้นะแต่พอมานั่งคิดเอาเราก็ทําดีที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือเราได้ปฏิบัติกับเขาหมดแล้วนะคะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่จะม่ต้องมานั่งเสียใจอะไรอีกแล้วเพราะว่าเขาก็ได้ไปไปเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะพระอาจารย์เอือแล้วละตอนนี้ทํางานหน้ารีบทําเลย อาจากกันแล้วก็ทำไม่ได้จะมานั่งน้องหอมน้องให้เสียใจก็เหมือนเหมือนกับเสียแซงไปเลยค่ะพระอาจารย์จริงๆค่ะพระอาจารย์ก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋ออยากจะทําอะไรที่แบบให้กับอ่าคนที่เรารักหรืออะไรเนี่ยเราก็รีบทําดีกว่าดีกวามานั่งแบบเออน่าจะเอาไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างโน่นนี่ครับโอ้ไม่มันไม่ใช่แล้วแบบนั้นนะคะ่ะพระอาจารย์ ค่ะอันนี้ตอนนี้ก็รีบทำให้กับตัวเราเองแลมาต่อไปแล้วก็ต้องไปเหมือนกันใช่ค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบว่าต้อง ใ, ให้ต้องต้องทําให้กับตัวเองให้มให้มากที่สุดแล้วค่ะพระอาจารย์ทําใจเราเข้มแข็งเสริมเข้มแข็งด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเบคะค่ะพระอาจารย์ก็คือระ ง, งับได้หลายสิ่งหลายอย่างออ่โดยเฉพาะเวลาที่ใครทําอะไรให้เราโกรธมากๆคือแต่ก็ยังมีอารมณ์อยู่นะคะพระอาจารย์ที่ วูบขึ้นแต่พอพ อ, พอพเมื่ดกี้นก็รีบดึงกลับพืนมาได้มันคือคนข้างๆเราบอกว่าอุ้ยถ้าเป็นหนูนะหนูยอมหรอกอืมเข้ามาสามหนูต้องไปสี่เราก็ถูกว่าอ๋อต้องไปไปทําไมล่ะเราอย่างเงี้ยทำไมจะต้องใจงเย็นขนาดนั้นอือให้เขามาว่าก็เดี๋ยวมันก็หายไปหนูก็บอกอย่างนี้ถามว่าในใจตัวเองเนี่ยมันก็ยังมีกิเลสอยู่พาจาย์ก็ยังวูบอยู่แต่พอยังดึงได้อะค่ะพาจาน อันนี้ยังเป็นในเรื่องของการที่เราเราจะต้องฝึกอีกต่อไปใช่ไหมครับพระอาจารย์ได้ต่อไปมันต้องแบบมันเฉยๆไปเลยฮเรื่องไร้สาระทั้งนั้นพอเราได้เห็นทุกอย่างมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรที่จะต้องไปยุ่งด้วยค่ะอาจารย์เนะสร็จไปเรื่อยๆค่ะก็ก็จะฝึกไปเรื่อยๆนะค ะ, ะอาจารย์คือหนูก็เลยบอกว่า เออตั้งแต่มีไปก็คือเราจะต้องฝึกให้กับตัวเองให้เยอะมากที่สุดอะคะ่ะพี่อาจารย์เพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะยึดเหนี่ยวตัวเราได้ไม่มีอะไรที่จะมายึดของมันมันมีอะไรที่จะต้องมายึดแล้วณตอนนี้อะค่ะพอาจารย์แต่ก็ต้องต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะ<ม>ก็คือทั้งงานหยาบแล้วก็งานละเอียดก็ต้องก็ต้องทํากันไปนะคะ่ะพี่อาจารย์เพราะว่ามันเป็นหน้าที่อยู่ะคะ่ะใช่ น, นีถ่ถูกต้องแนละทำให้ดีที่สุดทั้งหน้าที่ของเราเองกับหน้าที่เกี่ยวข้องกับพูดมันต้องทําไปค่ะ บ, บางครั้งก็เป็นคนตรงเหมือนกันนะคะพระอาจารย์บางทีบอกเขาไม่ตรงตรงเขาดีคนตรงกันได้ดีที่สุดแต่บางทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ชอบหนก็บอกว่าถ้าการพูดตรงแต่ก็ไม่ได้ทําร้ายมันดีกว่าที่จะมานั่งอ้อมค้อมเพื่อที่จะ ม, มาต้องมา ไ ป, ไปเพื่ออะไรค่บพระอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจว่า เ, ออเขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่เราเนี่ยก็คือพูดตรงๆไปแล้วก็คือจบแล้วเพราะว่าเราคิดว่าใจเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมันก็มันก็คืออยู่ตรงนั้นดีกว่า <S <S 2> <S 2> เราจะต้องมาดั้งเหมือนเหมือนหน้าไหวหลังหลอกหรืออะไรมากอะค่ะพระอาจารย์แต่บางครั้งมันก็ต้องได้บางทีมันก็ต้องได้มูสาเพื่อให้สบายใจผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะต้องทาทาไมอะคับ เหมือนเหมือนกลับบางทีกับแม่หรือกลับอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ให้เขาสบายใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่โอ้ยมันไม่ใช่เลยนะอะไรมอะไรก็สบายใจแบบอื่นดีกว่าอย่าเงี้ยอยาให้เขาสบายใจกับความโกหกหลอบลวงไงใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนกับใจกับกับน้องกับอะไรอย่างเงี้ยอก็เวลาอยากให้ว่าสบายใจครับพาเขาไปทําบุญหรือพาเลยไปนัน่นดีกว่าอย่าไปโกหกดีกว่า<ม> ค่ะพระอาจารย์คืออย่างนี้นะคะเคยบอกค่ะบอกบอกแม่แล้วแล้วทีนี้ท่านก็ตอบกลับมาว่าโอ๊ยพราเนี่ยก็ยังมีคนเอาไปให้กินและแม่แล่ะหนูก็เลยแบบอ๊ยังไงต่อไปหนูก็เลยแบบหนูอึ้องไปงก็เลยแบบโอ๊ยจิ๊บแม่ก็ให้กินอยู่ไม่ใช่หรอไม่ไม่ได้ให้ค่ะแม่ก็ต้องให้เหมือนกันแม่ก็เป็นพาาระอรหันต์ขงลูกล ก, ลก็ต้องเลี้ยงดูแม่เหมือนกันค่ะ เราอยากแม่เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ยังไม่ต้องเลี้ยงดูก็ได้ตอนที่แกเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้เราต้องไปเลี้ยงดูแกค่ะคือคือเลี้ยงดูค่ะพระอาจารย์คือหนูบอกว่าแม่ก็คืออยากให้แม่เนี่ยฟังธรรมะนู่นนี่นั่นเข้าเข้าวัดเธอมมากขึ้นเพราะว่าบ้นปลายแล้วอแม่เห็นไหมเราก็เสอนแพรหรือเปล่าเออพระท่านยังละนิดติดหน่หน่อยหนูไม่รู้ว่าจะไปยกอะไรมาอีกแล้วอ่ะค่ะ ท่านก็เลยตอบกลับมาแค่ว่าเป็นผ้าเนี่ยยังมีคนเอาไปให้หนู่คือเขาพูดเหมือนน้อยใจเฉพะตอนนี้เหมือนน้อยใจน้องเราก็พยายามแบบว่าให้ใ ห, ให้ให้สบายใจอ่ะค่ะพระอาจารย์อ mm hmm. นุก็นุกก็เลยบอกว่าเอาละแม่แ ม, แม่อยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวหาให้ก็เลยว่าอย่างนี้แม่ไม่ต้องคิดอะไรมากทาั้งๆที่เราก็ไม่ได้แบบเออจะมีมีถึงที่แม่อยากได้ขนาดนั้น คือเขาก็เงียบไปอะค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนสบายใจแต่ผมก็ยังทําไม่ได้แล้วค่ะพระอาจารย์ก็คือดูแลค่ะดูแ ล, แลเป็นปกติเพียงแค่ว่าอยากให้แม่แม่มีความสุขทางใจแต่คือไปยึดเกาะกับน้องกับอะไรเนี่ยเยอะแยะมากเลยอะค่ะพระอาจารย์ก็คงสิ่งมันก็เป็นเรื่องกรรมของขาแ่ะมันเป็นวิบากกรรมของเขาที่จะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคน ะ, ะนอ น, นะิการนิยมมีอะไรโอเค ย็นไปทจอยจอยก็อยู่พัทยาเหนกนได้ยินไหมคะได้ยินแต่ดังหน่อยพูดดังหน่อยพอาะได้ยินไหมได้ยิ น, ยยนไหมได้ินชัดเจนโอ้อก็เข้ามาฟังคำของหนูก็เหมือนเดิมค่ะปฏิบัติแล้วก็ไปย้อมอยู่เย็ยนใช้สูตรสามย้อมกเป็นยยอมยอม ยอมแพ้แล้วก็หยุดต่อสู้กันแล้วจะเย็นอ่านคนตางอยู่วันไปเขายุบเป็นยังไงครับเี๋เขาเขาชอบหนูจะพยายามเลเขาขู่หนูที่หนูก็สดต่ำแตกยามแพ้ชนะกันอยู่ยอมแพ้ชนะกันอยู่เอามารเสียงลูกชายใช่นี่ก็นี่ก็เป็นหนี้คนงับนคุยว่าอ๋อจะคุยกับอ๋อคุยกมา สวัสดีครับสวัสดีครับออเวียยอ่ะี่คูยอสวัสดีครับตตาก่อนสวัสดีครับอ่ายังไม่นอนระเด็กก็งั้นคุณคุณไม่สบายเนี่ยคุณกายไม่สบายพูดดังๆคุไม่สบายคูณเหรอคุณไม่สบายพบอกค่ะอ่ะโอเคอะครับ ไปเขาเขาจะบอกว่าคุณครูเขาไม่สบายค่ะหนูนต้องพยายามพยายามทำใจยอมอยู่เบียงแพ้เป็นพ้ชนะเป็นาอะไรอย่างนี้ค่ะเนอะค่ะเดี๋ยวไปใส่บาสแพ้เราจะเย็นจะสบายชนะเราจะร้อนเนอะค่ะโอเคค่ะดูคุณชันเองต่อคุณชันเองได้ยินไหมคุณชเนเองเปิดไม้ เ ป, ปิดไมายก่อนอ๋อโอเคพูดได้ไนนรับได้ยินแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปทุทมธานีครับพระจา์มีคำถามไหมป่ ะ, ะมีครับจะถามได้เลยก็เรื่องแรกนะครับผมก็ผมอ่าเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปเมื่อ หนึ่งปีถึงสองปีครับตอนเริ่มปฏิบัติก็จะมีปีตีขึ้นหลายหลายการนะแต่ว่าตอนนั้นปฏิบัติแบบไม่ค่อยมีอุกอบกขาติดมาแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรก็พอมากำหมดให้สามสิบสองแล้วก็ฝึกการแบบ ที่นัน่แล้วก็มานั่งทิไมเสียงของบนขาดกาดนะให้ฟังมันไม่รู้เรื่องถ้าเป็นพอสัญญาณหรือเปล่าครับผมแล้วก็ดูไกลเอ า, าสันส้นๆเลยไหมสรุปคำถามเลยต้องอยางจะถามอะไรพอมานั่งโปรติแล้วมันเหมือนอะไรติด จ, จมูก เขาขอไปแล้วฟังไม่รู้เรื่องอัญญาณให้ขาดการหายพ nice ัลโหครับได้ไหมครับมันมันฟังไม่รู้เรื่องนะมันมัมขาดการให้หายได้ยินคำสองคาแล้วก็หายไปมันไม่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินเดี๋ยวพอคุณพูดไปนักคำสองคามันก็หายไปหายแล้วก็ต้องทำต้องเข้าสมาธิไม่เข้าได้ยูขัดขาดสติแล้วฝึกสติเยอะ วันตื่นสติพุทโธพุทโธเดี๋วดูร่างกายคอยฟ้อดูร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายครับแล้วก็ปัจจุบันผมใช้การปฏิบัติแบบที่หลวงตาหมาบัวท่านเนี่ยมันขัดฉาดได้หายพูดได้สองสามคำแล้วมันกร็หายไปฟังไม่รู้เรื่องครับเอาแค่นี้ก่อนนะขออภัยเพื่อนฟังคุยกันไม่รู้เรื่อง ไอ้ที่คุณสุภาตาตัวเท็กซัสกับามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคอค่ะอ่าคุณหมอสุภัสเนมาสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคนไที่คุณมารตาคุณมา พุทธาการกทธรมพุทธากาเกับหลวงพ่อคะ่ะหลวงพอ่ <Okay. S 2> หพอหลวงพ่อหลวงพ่อครับมันหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมันมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะหลวงพอ่อคือตอนไม่ไม่มีอะไรแน่นอน่คะใช่คะ่ะหลวงพอ่อแต่ว่ามันมันเหมือนทําให้หนูได้รู้ขึ้นมาอีกอีกสเต็ปหนึ่งอะคะ่ะหลวงพอ่อ เหมือนเวลาเรานั่งปฏิบัตินะคะแล้วแล้วทีเนี้ยสติหนูอน่ะมันจะจับหลงพ่อได้ยินหนูใช่ไหมคะได้ยินได้ยินใช่คือสติอะ่ะมันจะอยู่กับกับลมตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอมันมันมีความคิดโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมันเหมือนมันจะตัดทันทีเลยคะ่ะแล้วก็จะกลับมาอยู่อยู่กับลมอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อจนมันสงบนิ่ง นิ่งจนเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงหัวใจเราเต้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วทีเนี้ยไอ้ความสงบตรงเนี้ยก่อนก่อนที่มันจะสงบเนี้ยคืออย่างที่หนูเคยเคยเรียนหลวงพ่อว่ามือไม้ร่างกายเนี่ยมันจะแบบมันจะแข็งมันจะอะไรเงี้ยค่ะพอพอมาสงบแบบว่าเข้าเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะเหมือน ตัวตัวที่หนักหนัก้นๆเนี่ยมันจะเบาแล้วมันก็จะสบายเวทนาเนี่ยมันก็จะไม่มีมันจะอยู่อยู่แบบนี้ค่ะเป็นชั่วโมงกว่าเลยอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้หนูจะถามหลวงพ่อว่าช่วงที่ออสติเรา เ, ออเดี๋ยวไปอยู่กับอยู่กับลมเดี๋ยวถ้ามันมีความคิดแว บ, บขึ้นมาแล้วมันดับลงไปตรงเนี้ถือว่าเป็นเป็นความว่างใช่ไหมคะคือ ความว่างตรงเนี้ยมันคือหมายถึงว่าว่างจากความคิดใช่ไหมคะที่หลวงพ่อบอกว่าให้มันอยู่กับความว่างนานๆตรงนี้ค่ะใช่ใช่แล้วก็ให้ไม่มีความคิดอันหนึ่งถ้าไม่มีความคิดนัตถิก็จะเบาได้เย็น จ, จะสบายจะมีความสาุขค่ะแล้วแล้วสมมติว่าถ้าถ้าเราไม่มีไม่มีความคิดตรงเนี้ยโผลเข้ามาเนี้ยมันมันกลายเป็น ถ้าถ้าถือว่าไม่มีเนี่ยมันก็คืออยู่กับความว่างแต่ถ้ามันมีขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วจิตของเราเนี่ยมันก็จะไปปรุงให้ความคิดตรงเนี้ยให้มันต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อที่ทิ่แสดงว่ า, า, ม, ม, า ม, ม, มันไม่สงบไปพอแล้ไม่สงบมันก็จะเริ่มปรุงแต่งต่อค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วพอปรุงปรุงไปเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นว่ามันก็จะเกิดว่าเออตัวเราเนี่ย ก็จะไปยึดแล้วจะต้องไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้คือมันต่อเป็นเรื่องเป็นราวอันเนี้มันคือที่ที่ถ้าถ้าภาษาที่ที่เขาเรียกอะไรภาษาทางคําที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นประทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อถ้ามันมีถ้ามันมีความหลงมันก็จะไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราคือถ้ามันมีปัญญามันจะเห็นเป็นตายลักมันก็ไม่ยึดไม่ติด ไอ้ตรงตรงปัญญาตรงเนี้ยถ้าเราเห็นเนี่ยคือมันก็จะดับทันทีในณขนาดนั้นไปเลยใช่ไหมคะก็อยู่ที่ว่าเรารู้ทันหรือเปล่ามันรู้ว่าเรากำลังมีเรากำลังยึดติดกับอะไรอยู่หรือเปล่าถ้ายึดติดเราก็ต้องใช้ปัญญาไปไปสอนว่ามันมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นไตรลักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตามันก็จะปล่อยได้เพะชอบมันปล่อยได้โดยที่ไม่ต้องพิจารณาแสดงว่ามันเข้าใจแล้ว คแล้วแล้วทีเนี้ยหนูหนูฝืนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อพอมันมันอยู่กับความสงบอ่ะมันมันคิดไม่ได้เลยค่ะความหมายคือว่ามันไม่มีอะไรโผล่มาให้คือมันจะไม่มันจะไม่น่าสงบมันก็ยังไม่คิดอยู่ถ้าคิดมันก็ไม่สงบค่ะคือมันไม่สามารถคิดคิดออกไปข้างนอกได้ค่ะมันเหมือนมันคิดได้เลยมันไม่คิดได้มันถูกบังคับอยู่ในความสงบอันนั้นใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ สบายมันไม่คิดทำมัสบายเย็นสบายค่ะแล้วและพอช่วงที่เราอยู่แบบนี้ยค่ะไอ้สบายไอ้สงบแล้วก็อยู่ว่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วประโยชน์ที่เราจะเอาตรงเนี้ยไปใช้ต่อเนี่ยมันคือยังไงหลวงพอ่อก็เฉยไงเวลาเจออะไรก็เฉยได้แล้วแล้วมันจะมีผลไหมคะหลวงพ่อตรงที่ว่าพอพอเราออกจากสมาธิมาแล้วมัน มันเหมือนทําใจเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่มีอะไรอ่ะค่ะหลวงพ่อใช่มันไม่เหี่ยวเมื่อก่อนมันเหีวแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันมันออกมาเพราะมันไม่ปรุงแต่งมันก็เลยมันก็ไม่มีอะไรอแล้วแล้วอย่างอย่างเวลาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับความรู้สึกเราอ่ะมันก็เหมือนเหมือนมองแบบผ่านๆไปอย่างนี้แล้วเฉยๆเลยไม่ไม่ ไม่ได้ไปเอาจริเขาจังเขาอะไรแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วใจไม่ไม่หิวไม่โหยไม่ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอะไรใครไม่อยากจะยุ่งกับใครค่ะหลวงพ่ อ, ล อ, พอแล้ ว, แ ล, วแล้วพอฝึกมาถึงประมาณอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันต้องต่อไปอีกขนาดไหนคะหลวงพ่อเนตรงไปต่อค่ะก็เวลาออกจากสมาธิมาก็คอยสังเกต ด, ดูใจเราว่าจะใช้กับเพื่นเมืองได้หรือเปล่า ังอใช้กับนา้าท่วมได้หรือเปล่าใช้กับสิ่งที่ที่มันเข้ามากระทบใจเราอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วต้องใช้กับทุกเรื่องให้ได้ให้สัตว์แต่ว่ารู้กันหมดค่ะแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินค่ะแล้วแล้วช่วงช่วงช่วงเนี้ยข่หลวงพ่อหนูมีความรู้สึกว่ามัน พอเราเราเฉยเฉยอะไรได้เนี่ยคือสมาธิมันมันเข้าได้ง่ายแล้วก็นานด้วยค่ะหลวงพอ่อถูกต้องเพราะว่าเราเฉยเราก็ไม่คิดไงเราไม่คิดเวลานั่งสมาธิมันมันจะเข้าง่ายอ๋อพอแล้วแล้วทีเนี้ยหนูสังเกตว่ามันไม่ว่าจะมีเขาเรียกอะไรสิ่งภายนอกที่มันมากกนเราเนี่ยเราเราก็สามารถนั่งได้ปฏิบัติได้โดยที่แบบว่าซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ได้เลยค่ะหลวงพอ่อ ใช่เพราะสติเรามีกำลังมากเนี่ยมันเลยไม่ไม่ค่อยสนใจกัรเรื่องราวต่างๆที่จะมาคอยชุดลากใจไปแล้วแล้วอย่างนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราหลบไหมคะหลวงพ่อเร า, เราถ้ามันเรียนการเข้าสมาธิเป็นการไปพักผ่อนอ๋อค่ะหลวงพ่อเราต้องพักผ่อนจิตใจมันร่างกายต้องหลับนอนเราไม่ได้ทํางานยี่บสี่ชั่วโมงใช่ไหมค่ะ<ฆ>เราทํางานแปดชั่วโมงแล้วเรากลับบ้านไปพักผ่อนหลับนอน จิตใจเราก็เหมือนกันทำงานทางปัญญาแล้วเราถึงเวลาแล้วเราไปรักผ่อนใ จ, ใจิตใจสลับกันหรือถ้าจะหลบก็ก็ไม่เป็นไรการหลบในสมาธิก็ ก, ก็ถือว่าเรายังไม่มีปัญญาที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ได้เราก็หลบก่อนก็ได้ค่ะครัอันนี้หนูก็ ปฏิบัติไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมก็รักษาไปจนวัตายรักษาใจเราเป็นเหมือนอ่หยนดน้ํำบนใบบัวเข้าใจไหมค่ะใบบัวมันไม่รับมันไม่ซึมอะไรเข้าไปในใบบัวจะน้ํำหยดเข้าไปยังไงมันก็ไม่ซึมตายแล้วก็วอย่าไปดูดอะไรเข้าไปในใจปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกไปคอันยันดีจะชั่วก็เรื่องของเขาไม่ทำมาแบกเขาจะมือความหมาย เข้าใจใแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วทําไมมันมีแต่คือมันมีแต่ความสนใจแต่ด้านเนี้ยช่วงเนี้ยค่ะหลวงพ ค, คือมันไม่อยากไปเอาอะไรที่มันแบบเหมือนไอ้พวกระเมงนะครอะไรหนูก็ไม่ได้ดูตั้งนานคือเพราะมันรถแทงทําชนะก็ทางปวดเลยพอได้ธรรมะแล้วเราก็เบื่อทุกอย่างไปเหมือนได้รถรถใหม่รถเก่าแล้ ว, วก็ไม่อยากจะใช้แล้วใช่ไหมรถใหม่มันดีกว่ารถเก่าคนะ่ะหลวงพ่อ ก็คือจะจะสนใจคือทำละนะเพรามทำละมันเป็คนมีประโยชน์กับจิตใจเรามากกว่าอย่างเงี้ค่ะก็จะมาฟังฟังเทปสลงข้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังถามฟังตอบเสร็จแล้วปัญญาได้ความสงบใช่ใช่ค่ะพอฟังเสร็จหนูก็จะมาปรับตอนที่เรามามานั่งปฏิบัติอะไรเงี้ยฟังเพลงก็ได้แต่ความหลงได้แต่หาวงพ่ออะไมช่มันไม่มันไม่เอาแล้วอะค่ะหลวงพ่อมันมันค่ะหลวงพ่อทีนี้มัน มันจะถือว่าเยอะไปไหมคะคือเราพอมีเวลาว่าไมเยอะเราธรรมะไม่ยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีคือเราเปิดแต่ธรรมะฟังกันแบบอย่างนี้ยตลอดอะไรนะได้หลวงพ่อเดี๋ยวถ้าถึงขั้นหนึ่งก็ไม่ต้องฟังอะไรเลยก็ได้ในธรรมะในใจก็ไม่ต้องฟังธรรมะข้างนอกก็ได้ค่ะหลวงพ่อหนูกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้โอกาสหนูค่ะ ว่าเรากินดีทุกคนให้ให้ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าจะสนใจไม่สนใจนะบางคนให้โอกาสเขาแต่เขาไม่สนใจเ้าช่วยไม่ได้ค่ะแล้วก็โอเคนะสาธุค่ะคุณมาเร้นมาเร้นก่อนมาเร้นการที่ไปคุณเฉลินไทยกล่าวธรรมสถารพระหลวงพ่อ ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาทิตย์ที่แล้วก็คุยว่าเพื่อนยืมตางไปเขาซื้อมาเรียบร้อยแล้วเขาขอบคุณขอบคุณใหญ่ที่เราไม่เล่งเขาเออก็ก็รู้สึกดีแหละตรงในส่วนนั้นก็ส่วนเรื่องภาวนาก็ก็ก็พยายามตัดอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นก็พยายามมองความสําคัญที่ใจของเราว่าใจเรามีคาว่าพอไหมใจที่มีคําว่าพอมันก็มันก็ ผมก็พยายามห ม, <Bil> ม, ม, มันก็อิ่มมันก็ไม่อิ่มว่าใช่ครับแล้วผมก็บางทีกลัวครับว่าพอมันทําให้เราขี้เกยียจนะครับหลวงพอ่อมันจะขี้เกยียจแบบขี้เกยียจนู้นขี้เกยียจนี้คือมันจะทําไงไม่ให้พอแบบขี้เกยียจครับหลวงพอ่อพอด้วยปัญญาเนี่ยพอด้วยปัญญาคืออนไรจําเป็นจะต้องทำไม่ต้องทำไม่ให้ขี้เกยียจครับใช่อันนั้นที่ไม่จําเป็นต้องทํำก็อยากไปทําะขี้เกียจได้ ที่เกียรตดูนังขี่เกียรติฟังเพลงี่เยรตไปเที่ยวเนี่ยได้แต่ต้องทําขยันทำาหารกินอยู่ก็ต้องทําไปครับใช้ปัญญามีธรรมะหนึ่งที่ผมอ่านเมื่อวันก่อนของท่านเชียร์ต้าโรชอบมากว่าท่านบอกเราเหมือนเรายืมอะไรมาสุดท้ายก็ต้องคืนใช่ไหมก็เลยท่านก็เลยเปรียบเทียบกับร่างกายเราร่างกายเราก็ยืมมาเออพอพอนึกว่ายืมมาไม่ใช่เจ้าของใช่ไหม ยืมมามันคือของชั่วคราวฝังอยูแล้วมันมันค่อนข้างจะเก็ทง่ายเลยครับชอบตรงนี้มากเลยครับหลวงพ่อทุอย่างที่เราเมนี้เป็นของยืมมา่าน้นไม่ใช่ก็เลยเราต้องเกินเจ้าของเข้าไปพ่อแม่เราเราก็ยืมเข้ามาชิดทุกอย่างเลยเปาของชั่วคราวต้องเกิเข้าไปไม่ใช่เป็นของเราหน้ตตาไม่ใช่ของเราในของยืมก็ของเราคือบุญและบาปใช่ไหมครับหลวงพ่อ เออเงินเป็นบาทนของเรานามิการเข็นของผู้ตนจะทำกรรมเป็นใดไว้จะต้องเปนผู้รับผลขอุกรรมนั้นครับแล้วก็ชอบอ่านชอบฟังประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราพูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นยุคหลวงตาหมาบัวทุกองค์ก็แบบได้ยินชื่อหลวงปู่มั่นต่อให้อยู่ไกลห่างไกลยังไงเมื่อได้ยินเข้าหลวงปู่มั่นแต่ละองก็แบบมุ่งหน้าเลยทันทีป่าภูเขาไปกินูกโอ้โหแบบสมัยนู้นมันแบบ ฟังแล้วแบบหขึ้นตันอาไหลเลยแบบสบายก่อนเขาไม่มีรถยนต์เลยกเดินเดินจนทางทางอิสานไปเชียงใหม่ที่ยินว่าอาจารย์มั่นอยู่ที่ไหนก็ไปหากันทุกคนผงฟังมันยินน่งฟังแล้ยิ่เราจะยินไความตาท่านแล้วมันเกิดปัญญาเกิดสมาธิขึ้นมาเกิดวิริยะขึ้นมาครับก็ฟังผมก็ผมก็รู้สึกว่าเวลาเราปฏิบัติตามท่านเราติดเหมือนแบบเหมือนเรียกว่าตามเสด็จท่านนะครับที่ โอเคนะเอาท่นนี้ก่อนท่นเดียวท่านอย่างเงี้ยยัไม่ได้พูดขอบคุณมากครับหลวงพ่อคุณสเลนทานจะทำงานอยู่ในวันนี้ทํางานทางอาจารย์กับมรสาการพอาจารย์เจ้าค่ะอระอาจารย์ได้ยินยมนะคะับได้ยินชัดเจนค่ะช่วงนี้ยมก็ปฏิบัติแล้วโยมคิดว่ามันก็สงบดีคะ่ะก็จิตก็อยู่จับอยู่ที่ลมหายใจนนแล้วก็สม่ำเสมอกลกับอยู่ที่นั่นได้เป็ดวิเว้ยมันวิ <laughs> มไม่พอลูกไปโรงเรียนยมยิ่งมีความสุขแล้ว ม, ม, มันก็เยมก็มีความสุขกับการจับอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็อะไรขึ้นมาก็จับจับจับมันให้หมดอย่างเนี้ยคะ่ะ ม, มันเริ่มสนุกกับการนั่งสมาธิะะอะอค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็เอ ก, ก็นั่งไปได้เรื่อยๆอะคะ่ะแต่ก็ก็ยังคงต้องทําต่อไปเพราะว่าโยมก็ยังไม่ได้สงบมากมายเท่าไหร่นะมันทำให้มันจังเลย ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะคือเมื่ออาทิตย์ก่อนเพื่อนยมเขาชวนไปทานอาหารทะเลแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าไปอาหารทะเลนี่มันต้องมีพวกเราไม่อยากลมอยากไปสั่งอาหารที่เป็นปูอย่างเงี้ยค่ะยมก็ไปถึงแต่ยมอยากจะเจอเพื่อนยมก็ยมก็ไปอ่ะค่ะแล้วพอไปถึงเราก็ไม่สั่งอาหารทะเลเพราะเราไม่อยากให้เราไม่อยากเป็นบาปเพื่อนเราก็สั่ง คนนี้โยมก็สั่งอาหารของโยมไปแล้วก็สั่งเป็นพวกเบอร์เกอร์อย่างนี้ให้ลูกแทนนะคะแล้วโยมก็ไม่ทานอาหารทะเลที่เขาสั่งมาคําถามของโยมก็คือเ อ, อเราผิดไหมคะที่เราไม่เตือนเพื่อนคือโยมคิดว่าเพื่อนไม่น่าจะเป็นคนพูดอะคะ่ะเออต้องดูว่าเขาเขาเขาพร้อมที่จะฟังคำคำบอกเล่าแล้วหรือเปล่าถ้าก็าายังไม่พร้อมก็ไม่คว ร, รที่จะพูดเรื่องของมารยธรรมค่ะ แต่โยมเพราะว่าโยมไม่ได้ทานอาหารตรงนั้นโยมก็ไม่ควรจะมีส่วนในบาปนั้นใช่ไหมคะคือถ้ามันถ้าเราไม่มีส่วนในการสั่งหรือบอกในการทําให้สัตว์ต้อตายแล้วเขาจะให้เรากินด้วยกินกินได้ไม่เป็นไรอ๋อค่ะเพราะ<ต>ว่าคำช<ข>าติที่สอง เ, เขาจะขอแบ่งมาแบ่งปูไมาเรากินหน่อยอย่างนี้แบ่งมากก็โอเค โยมไม่กล้าทานเลยค่ะอาจารย์เพราะเราไม่มีมมส่เพราะเพราะทานไม่ทานมันก็ตายไปแล้วอะค่ะโยมค่ะโยมก็สั่งทีแล้วเราแล้วเร า, า, าไม่มีส่วนในการที่ทำให้เขาตายเพรก็กินได้ถ้ า, ถาเพื่อนเขาอยากจะให้เรากินก็อร่อยนะหวานสดดีนะอะไรก็ไอติกินอยนค่ะเพราะถ้าอย่งงางนั้นเพราะว่าหลังจากที่โยมสั่งอาหารให้ลูกของโยมปิ้นกินพวกเบอร์เกอร์แล้วเนี่ย ลูกเขาก็บอกว่าอยากกินปูเพื่อนก็เลยส่งปูให้ลูกทานด้วยออันนี้ก็ถือว่าได้นะคะพระอาจารย์อ่า้ถ้าไปบอกก่อนเข้าร้านว่าวันนี้อยากจะกินปูเดี๋ยวยังนี้ก็เหมือนก็บไปบอกให้เพื่อนเขาช่วยไปสั่งอะไอย่างนี้ไม่ได้ไม่กล้าเยค่ะยมยมไม่กล้าสั่งเลยค่ะยมแต่ถ้าเสั่งมาแล้วถ้าเขาสั่งมาแล้วมันอยู่บนต้ะแล้วมันก็ค่ะบอกว่าอยากกินก็บอกได้ไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์ค่ะ ยมไม่กล้าทานเลยค่ะมีคำถามเท่านี้แล้วนี่ก็คิดถึงถ้าเกิดแล้วเป็นปูบ้างอยากคินยังไงนะใช่ค่ะใช่ครับเห็นเรารู้สึกสงสารเขาเราก็เลยไม่เอาดีกว่าค่ะไม่อยากมีเสียงส่วนร่วมตรงนี้ค่ะอืค่ะวันนี้ก็ทุกวันนี้ค่ะอาจารย์กับเจ้าคุณจิมบ้างเปล่าจะเจอตัวกันไหมคุยกันด้วยค่ะแล้วก็เจอกันด้วยค่ะเอวันก่อนยมก็ไปเจอเขาแล้วก็เอาของไปของไปฝากเขาแล้วก็ จิ๊บก็เอากุญแจบ้านโยมมาคืนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เจอกันเจอกันอาทิตย์อาทิตย์ ท, ที่แล้วอะคะ่ะพระอาจาร ย, อยร์อยู่ใกล้กันอยู่เมียงเดียวกันเลือกอยู่เพียเราอยู่จริงๆแล้วอยู่มันมันไม่ไกลกันเท่าไหร่อ่ะคะ่ะยมขับรถไปบ้านเขาก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเจอกันขึ้นทางอะคะ่ะ ค่ะอาจารย์เดี๋ยวยองจะฝากบอกจิ๊บให้ค่ะว่าพระอาจารย์กับความคิดถึงวันนี้ยองให้เข้ามาเลยไม่เข้ามาค่ะได้ค่ะอาจจะฟังอยู่งนอกค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะอ่าคุณก็นมามัสการคระอาจารย์ครับหายไปหลายวันหายไปสองสามวอาทิตย์ครับก็ไปลองปฏิบัติดูครับแล้วก็ มื่อ่านเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้ครับพอเข้ามาผมก็นั่งสมาธิครับแล้วก็สงบครับแล้วก็เย็นแล้วก็ว่างแล้วก็ได้ยินหรืออะไรเงี้ยก็คือสัตว์แต่ว่ารู้เราไม่ได้ปรุงเงี้ยก็คือเราความคิดเราจะไม่ไหลไปตามสิ่งที่ฟังแต่ว่าเราจะมีสติแล้วก็ว่างๆแล้วก็มีความสุขแล้วก็ตัวเบาครับผมได้เลแล้วก็ที่ปฏิบัติเวลานั่งสมาธิก็คืออ๋อ อาจารย์สอนเรื่องความอยากใช่ไหมครับว่าเออถ้าเราอยากอ่ะมันจะทำให้มันเป็นทุกข์แต่ว่าพอผมลั่สวัสธิแล้วตอนเช้าผมตื่นมาผมสังเกตว่าก่อนที่เราจะอยากครับเรามีความทุกข์ก่อนก็คือเราแบบมันเราอยากจะพูดเราใจเราจะดําริก่อนอันนั้นอันนั้นเราคือผมมองว่าตรงนั้นอะ่ะมันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยมันก็ผมไม่รู้ว่าจเจ้าสิ่งนี้มาพิจารณ์ไงแต่ว่าเออผมไม่เคยเห็น อะไรแบบนี้ย่าครับแต่ว่าผมไม่ได้มีปัญญาที่ว่าจะไปสืบสาวว่าเออจิตมันทําไมถึงทุกข์แต่ว่าเราเห็นก่อนที่ก่อนที่เราจะ อ, อยากครับเราจะเกิดความทุกข์ก่อนครับอาจารย์ก่อนที่ใจเราจะไปส่งออกอ่ะเราเห็นใจเราแบบมั น, ม, นมันเกิดความทุกข์ขึ้น<อ>ใจเราเริ่มดับเกมันอาจจะทุกข์กับเรื่อง อ, งอื่นอาจจะมีความยากอย่างอื่นที่เรามองมองไม่มองไม่เห็น มันเป็นทุกมันต้องมีความอยากอย่างได้อย่างหนึ่งขึ้นมาใช่ใช่ใช่ครับมันเป็นทุกขาักษณะไม่ได้ว่าเราทุกข์ใจแต่ว่า ม, มันเกิดปันเกิดความก่อนที่เราจะอยากมันเกิดความดำริก่อนที่ที่เราอยากไปทำํำนั้นอันนี้มันเป็นทุกข์ใช่ไหมครับแล้วเราสามารถนําสิ่งพวกนี้มาพิจารณาอะไรได้ไหมครับอาจารย์ก็ <c oughs> ขึ้นอยู่ว่าเราอยากกับอะไรแล้วต้องพิจรารณาเรื่องนั้นว่ามันเป็นตรละอ๋ออ๋อก็คือว่าอ๋อเราก็อ๋อเขอ้าจ้วครับ าผมเห็นภาพรวมแต่ว่าถ้าพระอาจารย์พูดแบบนี้ก็คือว่าสมมุติเราจะอยากไปซื้อของอยากไปกินอันนี้เราทุกข์แล้วเราก็เลยเอาปัญญามาพิจารณา ใ, ในสิ่งที่เราติดข้องนั่ตรงนั้นอพอปัญญาเกิดเราอาจจะมีกําลังหรือไม่มีกําลังก็ได้แต่ว่าเราลองพิจารณาดูว่าบางทุกข์บางอย่างมันความอยากบางอย่างญญามันจะหายไปได้ใช่ไหมครับใช่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทําให้เราทุกข์ก็อย่าไปอยากมันดีกว่า ครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้ทํางานก็คือว่างานเยอะครับอาจารย์แต่ว่าเราไม่ได้มีแพชั่นกับการทํางานเหมือนเมื่อก่อนผมทํางานผมจะแบบเอออยากได้เงินนะอยากได้อย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ทํางานแล้วแบบมันเข้าเงินมาให้หรือว่าเราเห็นกิเลสคนเพราะว่าเวลาทำออกแบบอ่ะเราจะอยู่กับลูกค้าวันอาทิตย์หนึ่งบางคนเป็นเดือนสามเดือนเนี้ยเราจะเห็นเราจะไม่เหมือนเก่าที่ว่าเราอยากเราอยากเออ ได้เงินเราอยากก้าวหน้าเนี้ยคือเหมือนพระอาจารย์พูดตอนต้นกับพี่เขาบอกว่าเหมือนโฟกัสของเราอ่ะน้อยลงครับกับเรื่องการทํางานก็เราเราทำด้วยเหตุด้วยผล่ยเราไม่ได้ทำด้วยความโลภความอยากทำเพราะยังเป็นหน้าที่อยู่คือต้องคือผมมันน้อยลงผมก็ต้องพยายามถีบตัวเองว่าแบบเออมันเป็นหน้าที่นะเออเขาต้องการเราต้องทําให้แบบแต่ว่ามั น, มนก็ยังทําไม่ดีที่สุด ทำไม่ดีนี่สุดแต่ไม่ทำด้วยความโลภครับ <Okay S 2> ก็นะหายไปหายไปนานครับแต่ว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือเวลาไม่เจอว่าจานอะ่ะพอไปเจอเหตุการณ์จริงๆ อ, อ, อ่ะผมคิดว่าเออผมยังอยู่ในทางนี้ได้ไหมก็คือว่าผมก็ไม่เคยทิ้งแล้วก็ผมไปทำ t ิ k ตอ k ของธรรมาผมก็โพสทุกวันนะครับตอนนี้อยอดเลยประมาณเกือบ5 0าพันแล้วครับแล้วก็ยอดดูก็คือหลายหมื่นแล้วครับเออดีดีดทําะเพื่อยแพร่ธ มันก็เลยว่านธรรมทานการ้ธรรมาชนะการให้น้ำพวกนะดีก่อให้เรื่องดีก็อให้เรื่องว่าบออแต่คนดูเป็นล้านนีใช่ใช่เรื่องเรแล้วแบบนั้นคนดูเยอะมากครับของผมที่แบบว่าดีมากลยครับกขับเขาว่าคนครับเดี๋ยวไปตามตลาดครับอ่อครับอ่าไปต่อเนี่ยเนี่ยเีกับคุณเก่น คการมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อวันนูนมโนธนาที่ที่ออฟเฟอร์จะซื้อของให้นะแต่ตอนนี้ไม่จะเป็นยังไม่จะเป็นอ่าขอเป้าวาลานาไว้นะเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ให้ลูกหลานได้มีโอกาสใค่ไมคะทำบุญเจ้าค่ะหลวงพ่อก็อยู่กับความเงียบสงบเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วก็ แล้วก็พิจารณาความตายอะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วก็ตอนเช้ามาลูกมันต้องต้องทานยาเจ้าค่ะแล้วก็เช้าเนี้ยค่ะก็ใส่แก้วยาไว้แล้วก็ก็พิจารณามองอะค่ะแล้วมันไม่อยากทานนะคะมันพิจารณาว่าอ่ว่าคือทานก็ตายไม่ทานก็ตายใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อก็ก็ก็สอนว่า อ่าก็รักษารักษามันก็มีรักษาก็หายไม่รักษไม่รักษาก็ตายหรือรักษาก็ต้องตายเจา้าค่ะแล้วมันก็พิจารณาขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้ไม่อยากจะทานยาเจา้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าก็ต้องดูสิว่ายานี้มันรักษาได้ป่ะถ้ายังรักษาได้ก็ต้องทานไปยาเนี้ยต้องมาสายนั่งกายทําทําทําประโยชน์ต่อในะยต้องปฏิบัติทำต้องศึกษาธรรมะต่อ อยาเพิ่งรตายเจ้าค่ะหลวงพ่อการดิพอหลวงพ่อเจ้าค่ะก็แล้วก็พอช่วงบ่ายก็มันก็วางอยู่ที่เดิมที่โต๊ะอาหารนะคะแล้วก็หันไปมองแล้วก็พิจารณาแล้วก็เหมือนปัญญามันขึ้นมาเหมือนคําที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นะคะว่าเรายังไม่ได้ถึงไหนนะอะไรอย่างเงี <sponsoring> ้ยเจ้าค่ะตายไปตอนนี้ก็กลับมาเกิดมาจะไม่เจอศาสนาแล้วก็ได้ ใชค่คหลวงพ่อยันนนี้นเราเป็นศาสนารีบตักตประโยชน์ให้มากที่สุดท่าที่ยอะมากได้ยันโดยการดูแลร่างกายให้ดีแอมเองดูร่างกายให้ดีให้แข็งแรงแต่ก็จะได้เอาร่างกายมาศึกษาธรรมะไม่ได้ร่ า, างกายมาเที่ยวมากินมาเลี้ยงกิเลสใช่ค่ะหลวงพ่อใา่ค่ะนั่งกินยา้าินย<อ>นี้แล้วถึงเวลากินยามันก็ยินดีที่อยากกินพร้อมพอยากกินน เจ้าขาข์หงพ่อน้อมกราบขอบพระคุณเจ้าข่าหรบขอบพรคุณเจ้าขาไปงานเดียวมีอะไรไหมไม่มีครับมาอะไรเปิดเมื่อไหร่เปิดได้แล้วตุลาครับนที่เจ็ดครับเพกายังเตรียมตัวต้องไปอยู่หอพักกันเลยนะใช่ครับต้องอยู่สแตนดาร์ดคอมเบเดชใช่ต้องไปแชร์คิทเช่นกับเขายืนที่ไหนยืนได้ยืนที่ไหนจำไม่ได้ที่ลอนดอนครับ ที่เวสต์มิสเตอร์เวสต์มิสเตอร์และที่อันสกูลอคานาเมกอนนั้นสเมเชียแ University of Westminster อ่าเวนเร์อยู่ในลอนดอนยะครับโอเคเรามีโอกาสดีเช่นนี้นะตั้งใจเรียนนะอย่าปล่อยโอกาสอันนี้ให้สูญเปล่านะครับพยายามเรียนอดทนหน่อยอย่าไปเที่ยวอย่าไปอะไรมากเกินไปนะอย่าเรียนไม่ดี ครับตอนี้งานเยอะครับยังทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยก็เลยเยอะถ้าทำงานฐานเงินไม่เป็นไรทำได้แต่อย่าอย่เอาเวลาไปกับการเที่ยวเต็งนะครับโอเคกลับไปตรงจุดนะโอเคคุณชานิสาจากญี่ปุ่นใช่ไหมชานิสาเอ็นเคมาว่ามาอยู่ที่ไหนคุณชานิสา ค่ะอยู่ญี่ปุ่นค่ ะ, ะมีอะไรไหมคืนนี้วันวันนี้ไม่มีค่ะนี่สองยาวา้ะที่สองยาว ก, กว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเกือบตีหนึ่งแ่ะ ใ, ใกล้จะตีหนึ่งละค่ะอ๋อยังไม่นอนอยู่นะยังยังกะยังอยากมากราบพระอาจารย์ก่อนคน่ะ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไปไหนไปเ่ยวที่ฮากุนีค่ะอ๋อโอเค ข้อสอจะตินิดหน่อยเพราะว่ า, าแฟนอนะค่ะเขาไปค่ะอย่าเที่ยวมากเลยไปก็แล้วกันค่ะ <c oughs> พระอาจารย์พอดีว่าเพิ่งหายไข้มาสัากอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เลยว่าจะพาลูก<ม>ชายไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกเมืองบ้างอพอดีเด็กจะได้มีปอดทูปอดตาบ้างนั้นอในบ้านอาจจะัดุู โอเคนะยินจะไปที่ท่านต่อไปคุณสมชายได้ยินไหมสมชายน้าจากแสเเนี่อ่ากรับสวัสดีท่านพระอาจารย์ครับอ่าก็เข้ามาฟังแล้วก็ฟังจากท่านท่านผู้อื่นด้วยแล้วก็มีความ มีความรู้แล้วก็ได้เรียนอะไรมากๆครับแล้วก็คอร์สวันดีอาจารย์นุกแล้วก็คุณบอยด้วยนะครับผมก็จะไม่มีอะไรถามวันนี้ครับโอเคยังแถมยัไปที่เฟ e b o o กเนีเ่ยเฟซบุ๊กต่อเลยมีคำถามเกี่ยวคำถามมีทั้งหมดสิบเอ็ดคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณแอน กราบเรียนถามพระอาจารย์กรณีเข้าสมาธิมีอาการโยกไปมาระหว่างสมาธิแต่ยังพุโทโธอยู่จะทําอย่างไรให้จิตนิ่งไม่ติดสุขคะ อ, อ๋อติดสุขไม่เป็นไรหรอกติดสุขติดสมาธินีเ่เป็นของดีนั้นไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลให้ยินดีกับสมาธิให้ยินดีกับความสุขของสมาธิอันนี้ไม่มีทิ่มีปัยไม่เหมือนกับความสุขทางตาของจมูกเนื้อ่าย ันต่อไปจากคุณทรีกราบนมัสการถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าทํางานหรือตั้งใจทําอะไรก็ตามลมรู้ลมเข้าออกแล้วรู้สึกว่าเมื่อลมหายใจจะขาดควรจะทําอย่างไรเจ้าค่ะก็รู้ต่อไปแล้วมันจะขาดข้าวมันขาดไปเลยมันไม่มีปัญหาแล้วมันจะขาดแล้วก็ห้ามไม่ได้นก็รู้ตามคามเป็นจริงไป มีสามคำถามจากคุณสุพันธ์ค่ะถามเจ้าค่ะข้าพเจ้าเอาสัตว์ไปทำหมันช่วยลดการเที่ยวเล่ล่อนผสมพันธุ์โดนกัดป้องกันเป็นแผลเจ้าของที่พาไปจะผิดศีลมากไหมเจ้าค่ะไม่ผิดหรอกการทำหมันนี่มันไม่ได้เป็นการการฆ่าสัตว์ตัชีวิตแต่อย่างใดไม่ผิดศีลนะคำถามที่สองล้างถ้วยมีมดติด เอาน้ำล้างออกอาจจะตายได้บางตัวผิดศีลไหมคะถ้าตายก็ผิดคำถามที่สามเดินเหยียบหอยไม่ตั้งใจข้าพเจ้าจะมีโทษมากไหมเจ้าคะศีลรักษายากจังเจ้าคะ่ะอ๋อไม่ไม่ผิดศีลหรอกถ้าเราไม่ไม่มีความตั้งใจแล้วเรามองไม่เห็นถือว่าเป็นอุบัติเหตุคำถามต่อไปจากคุณพันษากราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ผมนั่งสมาธิมาสักพักแล้วผมทราบว่ากายไม่ใช่จิตและจิตกับกายแยกกันกลาบเรียนถามพระอาจารย์ครับมีสองข้อข้อที่หนึ่งผมวางสมาธิวางจิตไว้ที่ท้องน้อยแล้วผมก็ดูไปเรื่อยๆสักพักผมสงสัยว่าเราเป็นคนดูจิตนี้ ผมก็เลยมองพยายามมองหาตัวเราที่เป็นผู้ดูแต่พอหาไปอย่างไรก็หาไม่เจอครับพอดูผู้ดูก็กลับมาเห็นจิตอีกเป็นแบบนี้ตลอดแล้วเราที่เป็นผู้ดูอยู่ที่ไหนครับอ่าไม่ไไม่ใช่เป็นวิธีดูวิธีดูก็คือต้องดูนั่งสมาธิดูลมไปอย่างเดียวดูพุโทโธไปอย่างเดียวจนกว่าความคิดจะหายไปแล้วตัว ตัวรู้มันก็จะผมได้มาให้เราเห็นเองเราก็จะรู้ว่าตัวตัวเราไม่มีตัวเรามันเกิดจากความคิดพอหยุดคิดตัวเราก็หายไปคำถามที่สองผมรู้สึกว่าการบังคับให้จิตหยุดคิดมันยากครับผมเบื่อที่จะบังคับไม่ให้คิดผมเลยปล่อยให้มันคิดแต่เราคอยดูและเห็นว่า จิตมันคิดเองตัวเราเป็นคนดูและเหมือนว่ามันเห็นแบบละเอียดกว่าแต่ก่อนมากเลยครับแบบนี้ผมทำถูกไหมครับไม่ถูกหรอกว่าเราการนั่งสมาธิ่ั้นการหยุดความคิดถ้าเราไม่หยุดความคิดเราก็จะไม่มีสมาธิไม่มีความสงบไม่มีความสุขแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จ ะ, ะไปเจริญปัญญาเพื่อตัด คิดเด็กการหาความงงความโกรธความน้งต่างๆได้คำถามต่อไปจากคุณสอนดวงพรเดช ก, กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะระงับความโกรธโทสะให้ลดลงได้อย่างไรมีอุบายในการละอย่างไรขอคําแนะนําจากพระอาจารย์จะน้อมนําไปปฏิบัติค่ะต้องลดความอยากความต้องการาต่างๆความอยากความต้องการนี้มันทําให้เราโกรธเวลาเราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยาก ในสิ่งที่เราต้องการใช้เึกนิสัยแบบยินดีตามมีตามเกิดสันโดร้นอนก็ได้หนาวก็ได้กาแฟร้อนก็ได้กาแฟเย็นก็ได้อย่าไปจออู้จี้จุกจิกถ้าจู้จี้ยุกจิตแล้วห้าวก็แพ้เย็นวอนได้กาแฟร้ฟนอนขึ้นมาก็โกรธความโกรธมันเกิดจากความไม่ได้นำใจอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็จะไม่โกรธ คำ<ว>ถามต่อไปจากคุณเตชินีค่ะถ้าฝันเห็นตัวเองโกนหัวล้นใส่ชุดขาวเดินจงกลมเดินไปเดินมากลายเป็นกระดูกเดินแบบนี้ดีไหมคะเพราะเกิดมาไม่เคยรู้เรื่องการพิจารณาร่างกายเลยค่ะขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยนะคะดีถ้าได้บวชได้ก็ดีได้โกนหัวได้เดินจงกรมได้ปฏิบัติธรรมได้ก็ดี ก็เป็นวิธีที่จะทําให้เราดุด้นจากความทุกข์คำถามต่อไปจากคุณอังคณาพรกรบนมัสการค่ะขอถามค่ะตัวความหวังกับความอยากอยู่ในกลุ่มกิเลสใช่ไหมคะใช่ตัวเดียวกันนะความหวังความอยากก็คือต้องการให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นกิเลสแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ คำถามสุดท้ายจากคุณเอก่อนยังแยกอนิจจังกับทุกขังไม่ได้อยากทราบว่าความไม่เที่ยงหรือความเปลี่ยนแปลงกับความคงทนไม่ได้ต่างกันอย่างไรคงทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่แร้วคาว่าทุกขังนี่ไม่ใช่แปลว่าคงทนไม่ได้ทำให้ความเข้าใจผิดคำว่าทุกนี่แปลว่าความไม่สบายใจเห็นไหมไม่ใช่คงทน ความทุกข์ก็คือความไม่สบายใจเวลาอยากได้อะไรแล้วมันจะไม่สบายใจอยากจะได้นู่นอยากจะได้แฟนนี่มันก็เริ่มไม่สบายใจแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านอนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าไม่มีความอยากได้แฟนก็สบายใจไม่ต้องมากังวลก็จะได้แฟนหรือไม่ได้แฟนเข้าใจไหมแล้วพออยากได้ก็ได้แฟนมาแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราเองอยากจะให้เขาดีกับเรา หรือว่าการโอนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ดีกับเราเกิดเขาไม่อยู่เรากับเราแล้วก็ทุกข์อีกมันเกิดจากความอยากเพราะเ่ความทุกข์เกิดจากความอยากความไม่สบายใจเกิดจากความอยากไม่ใช่เกิดจากไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้ไม่ไม่ใช่มันมันเป็นความรู้สึกรู้สึกไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่มันไม่เที่ยงนอยากในสิ่งที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยง คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้อยากให้แฟนอยากจะได้แฟนก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเพราะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่เช่าเราก็ไม่ได้อย่อยากในสิ่งที่มันไม่ไม่เที่ยงมันก็เลยทําให้เราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยา่าไปอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงก็อย่าไปอยากกับทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่เที่ยงทั้งนั้นจบแล้วอย่างหมดแล้วใช่ไหมมีอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะ สวัสดีครับทําไมพระสงฆ์เรามักจะกลายเป็นจอมขมังเวทช่วยให้รวยรักษาโรคในมุมมองของสังคมหรือครับขอบคุณรครับเพรา ะ, ะสังคมต้องการอย่างนั้นเลยก็เป็นช่องช่องว่างสำหรับคนที่จะหาผลประโยชน์จากสังคมเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นพระแท้ๆพระท่านไมมาสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้อะไรแถ้าท่านพูดแต่เรื่องธรรมะเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นเอง โอ <Okay S 2> น, นะก็คือสังคมเป็นผู้ผลิตพระเองสังคมต้องการให้พระอาบน้ําก็ไปหาพระไปขอให้พระอาบน้ําหมดนะพระก็น้าก็ต้องอาบให้สังคมต้องการได้เบอร์<ๆ>ก็ไปหาพระไปขอเบอร์จาก พ, ะพะระพระก็เลยต้องหาเบอร์มาให้ <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมเพราะว่าเวลาให้อะไรมาแล้ยวยอดโยมก็ทําบุญกลับไปใช่ไหมขอเบอร์มาใส่จองกลับไปอาบน้ำหมดให้ก็ใส่ซองกลับไป มันก็เลยกลายเป็นการเป็นการตลาดไปเป็นการเป็นธุรกิจไปเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นพระถ้าพระที่ศึกษาปฏิบัติธรรมท่านมีแต่เรื่องของการสอนธรรมะเพียงเดียวนั้ไม่มีอย่างอื่นท่านไม่ต้องการอะไรอย่างเราโยมจะให้หรือไม่ให้ไม่เป็นไรท่านมีหน้าที่สอนธรรมะก็อสอนไปเท่านั้นเองโอเคนะคิดว่าวันนี้พอสมควรแก่วเวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเรื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิญ